กราบคารวะพ่อครูครับกราบคารวะพันเตและก็เพื่อนนักบวชทุกทุกนะครับ จ, จะเดินทําสานึกดีกับพวกเราทุกคนทุกท่านวันนี้วิถีอริยธรรมเหมือนเดิมแต่อาจจะแปลกนิดหน่อยนะพันเตพอดีพันเตนเ ต, ติคาเวโลมีธุระโดยเฉพาะเรื่องเขาบอกว่าเรื่องเวลานี่นะสาคัญมากๆก็ตอนตอนที่เราเข้าใจว่า อย่างเช่นเนี่ยอย่างปะเติขะเนี่ยตอนนี้กาลังไปปัน่นเขาเรียกว่าปั่นเพื่อที่จะส่งต้นฉบับอะไรอย่างเงี้นะเขาว่าคนจะรู้เรื่องเวลาที่สำคัญที่สุดก็คือตอนปั่นต้นฉบับเนี่ยใครที่เคยเขียนต้นฉบับนะจะรู้คุณค่าของวันเวลาแล้วก็เขาบอกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ฟุตบอลเล่นฟุตบอลตอนจะหมดเนี่ยจะหมดเวลาเนี่ยลุ้นกันมากเลยฝ่ายแพ้นะ เพื่อที่จะให้เข้าโกของคนอื่นให้ได้วางกันนะอันนี้ก็เรื่องของเวลานะแล้วก็อาตมาเชื่อได้เลยว่านะวิถีอรอยิยธรรมเนี่ยตั้งแต่พ่อครูพานํามาตลอดเลยนะเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนะไม่คิดถึงรายการอื่นนะรวมแล้วเนี่เท่าไหร่เรื่องเวลาเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยจําไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่รู้จะจํำยังไงเพราะว่าเยอะมากเลย เพราะครูสอนพวกเราเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ไม่รู้ว่าได้อะไรกันมั่งหรือเปล่านะส่วนอาตมาเองก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่เหมือนกันแหละก็ว่าแต่ญาติโยมไม่ได้นะก็ถือว่าเป็นพวกเดียวกันนะก่อนจะไปฟังเรื่องการบ้านการเมืองแล้วก็การพระนะการพระก็คือศาสนานั่นแหละนะบังเอิญสักครู่นี้ได้ อ, อฟังเพลงของขุณจำลองใช่ไหมไปบินธบาติที่นะแฟร แฝดใครรู้ว่าแฟดนะไปบินทาบาทซ้ายนั้นส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอพระพระพระเหลืองนะพระเยอะเลยสวนมาเนี่ยเดินสวนมาวันนั้นท่านก็ทักทายนะในขณะที่เราบินไปเนี่ยท่านก็ทักทายว่าถ้าทางว่าจะทักทายดีหรือเปล่ามาดูนะทักทายว่าพวกเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของไอ้จำลองไม้โทนะ มีคำว่าไม่โทรเลยนะพระพูดเองนะท่านเดินผ่านพวกเรามาแล้วท่านก็ทักทายมองหน้าพวกเราแล้วก็ทักทายว่าพวกเนี้ยเป็นพระไอจําลองอย่างดีนะที่บอกว่าเราเป็นพระอยู่นะออขอบคุณท่านมากๆเลยท่านบอกว่าเป็นพระไอจําลองแต่จริงๆมีไม่โทรเลยนะคำว่าไอนั่นแหละก็ประมาณนั้นนะเรื่องการบ้านการเมืองการพระ นาส่วนพ่อครูก็คงมีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายนะสองชั่วโมงนี่มันไม่พอเลยนะก็กราบนิมนต์เลยก็แล้วกั น, กนครับโยงนำเข้าสู่รายการได้ดีอสองชั่วโมงนี่ไม่พอเอ้ามันไม่พอหรอกในการทำงานเพื่อที่จะช่วยคนที่อวิชาให้อวิชาจาง คลายหรือว่าให้อวิชชาสํารอกออกสํารอกออกจนเป็นวิชาเป็นวิมุตต์เนี่ยมันไม่ใช่งานเบางานหนักงานยากเทตมาบอกว่าเป็นงานหนักงานยากนั้นพูดด้วยความจริงที่อาตมาประสบมาขออภัยถ้าอาตมาจะพูดว่าเทตมาประสบมานั้นไม่ได้ประสบมาแต่เพียงชาตินี้ชาติเดียวที่ทํางานนี้ ทำงานมาหลายชาติแล้วที่จะให้คนได้วิ ช, ชาแล้วก็เกิดวิมุตตต่างแท้จริงเนี่ยทำมาหลายชาติแล้วจึงได้พูดว่างานนี้หนักงานนี้ยากนะไม่ได้พูดโดยไม่มีหลักฐานหรือไม่มีประสบการณ์หรือพูดเพ้อเจรอพูดลอยลมอะไรๆ ไ, ไปหาไม่ได้นะพูดด้วยความจริง แต่อามาก็เต็มใจที่จะทำะเต็มใจตั้งใจตั้งปณิธานอย่างแน่แท้ว่าชีวิตถ้าจะยังมีอัตภาพอยู่ยังไม่ปรินิพานตราบใดอตามาก็จะตั้งใจทำงานนี้เป็นงานหลักของชีวิตคือตามาเลือกแล้วเลือกแล้วว่าเป็นงานหลักของชีวิตเป็นงานที่ดีที่สุดที่อตามา เชื่อมั่นก็เดินจะเชื่อมั่นด้วยหรือไม่อาตมาไม่มีปัญหาหรอกนะแต่อาตมาเชื่อมั่นในงานนี้เพราะงานนี้เป็นงานที่ที่อาตมาเลือกับเพราะเป็นงานที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดสูงที่สุดมีคุณค่ามากที่สุดมีประโยชน์มากที่สุดนะเป็นเช่นนั้นนะเป็นเช่นนั้นอาตมาไม่ขยายความอนะเมื่อทําไปแล้ว มันก็ที่ว่ามันหนักมันยากก็เพราะว่ามันไม่ง่ายนั่นเองทําไปแล้วก็ยิ่งเจอยิ่งมาอยู่ในยุคนี้เป็นยุคที่ยากมากเป็นยุคที่ลําบากมากเพราะเป็นยุคใกล้จะกะลียุคกินตัวแล้วอเป็นยุคที่กะลียุคจะจะเกิดนสังคมโลกของมนุษย์เนี่ย พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความเป็นจริงที่อาตมายืนยันไปไม่รู้กี่ทีแล้วว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้ตรัสรู้อะไรสูงสุดหรอกท่านตรัสรู้ความเป็นมนุษย์กับความเป็นสังคมมนุษย์เนี่ยเป็นความรู้สูงสุดอ่าเรียนรู้กันไปในความเป็นมนุษย์แล้วก็สังคมมนุษย์ได้จบท่วนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่จบท่วนเป็นสมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ย ก็จะรู้หมดเลยความเป็นจั ก, กรวาลรู้แม้กระทั่งความเป็นวัฏสงสารรู้ในความวนที่วนแล้วก็วนเล่าจนกระทั่งมีทางออกว่าหยุดวนได้เลิกความวนได้อย่างเด็ดขาดเพียงแท้เลยพระพุทธเจ้าจนคนพบสิ่งเหล่านี้จึงรู้ว่าอ๋อโลกมีความไม่มีโลก มีด้วยจบโลกไม่มีโลกเลยมีด้วยคนก็คือส่วนหนึ่งของความวนส่วนหนึ่งของโลกอคนเนี่ยก็วนอยู่อย่างนั้นโดยเฉพาะมีธาตุอัตภาพธาตุจิตวิญญาณซึ่งมีเชือกเกาะกลุ่มมีเชือกเกาะกลุมมีเชือกที่จับตัวตัวเอง กับตัวเกาะกลุ่มแน่นไม่ไม่มีปัญญาไ ม, ไม่มีวิชาไม่มีปัญญาไม่มีวิชาที่จะสามารถที่จะทำลายสิ่งที่เป็นยางเหนียวที่มันเกิดการไม่สลายต้องเกาะกลุมกันอยู่ไม่มีปัญญาที่จะรู้จนกว่าจะเรียนรู้ สัจธรรมเรียนรู้ความจริงตามที่พระเจ้าทังคนพบแล้วมาสอนมาแนะนำมาวิธีจนเข้าไปสามารถรู้สิ่งเหล่านั้นได้เป็นพลังทางจิตวิญญาณที่เรียกอีกทีนึงว่าเป็นพลังทางปัญญาสามารถที่จะไปสลายความเกาะกลุ่มสลายยางเหนียวนั้นหมดริษหมดแรงหมดอำนาจ ดึงดูดหรือหมดอำนาจที่จะเกาะตัวเกาะกลุ่มตัวตนได้อย่างสมบูรณ์สูงสุดพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าคนเรานี่เป็นทุกข์เพราะอาวิชชาที่อวิชชาก็เพราะว่าไม่รู้สิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ควรรู้อย่างยิ่งท่านสรุปลงเป็นสองอย่างคือควรรู้รูปและนาม รูปคือสิ่งที่ถูกรูนามคือสิ่งที่เข้าไปรู้เป็นตัวเป็นตัวธาตรู้เป็นตัวผู้รู้ซะเองรูปคือสิ่งที่ถูกรู้ตั้งแต่รูปหยาบเรียกวามหาภูตต์ตั้งแต่รูปหยา บ, ยาายาบจนกระทั่งเป็นรูปที่ เนื่องเกี่ยวกันสังเคราะห์สังขารกันอยู่ตลอดในวัตสงสารที่มีอย่างเหนียวมันจับตัวเข้ายางเหนียวคือตัณหาคุอกิเลสจับตัวเข้าแล้วมันก็เกาะกลุ่มมันก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นนะโดยไม่รู้จนสามารถสลายได้แต่อาตมาพูดนำมาแต่ต้นมีความรู้รู้สิ่งที่มันสามารถสลายสิ่งนั้นได้ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะเกิดไม่รู้จักความเกาะกลุ่มของ รูปและนามวันนี้จะขยายเรื่องรูปและนามให้ลึกซึ้งขึ้นอาตมาขออ่านอ่านบทความไม่ใช่บทความนระาเป็นคำคาเทศของท่านพระพระอุบาลีคุคณูปมาจาร์ท่านสิน้นไปนานแล้วละ่ะท่านสิ้นอาตมาถึงเกิดนะท่านมหาจัน์ ท่านชื่อเดิมชื่อจัน์เป็นเจ้าวาดวัดบรมนิวาสเป็นคนอุบลเหมือนกันท่านจาคุคอุบาลีคีคอุปม า, าจาร์เนี่เป็นที่นับถือตำแหน่งอุบาลีคีคอุปม า, าจาร์เนี่เป็นตำแหน่งในระดับรองสมเด็จรองสมเด็จเป็นฮิรัญญาบัต เนื้อความที่ท่านบรรยายเอาไว้เป็นอย่างนี้มีผู้นำมาลงในหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ฉบับ 21-27 มิถุนายนนี่แหละอัตมาอ่านเจอก็เลยนำมาประกอบในการอธิบายท่านว่าไว้อย่างนี้เมื่อกุลบุตรผู้เจริญจิตวิสุทธิเมื่อกุลบุตรผู้เจริญจิตตวิสุทธิ พลาดจิตนะฟังดีๆนะจะใช้สำนวนเป็นภาษาธรรมะทั้งนั้นเลยฟังฟังค่อนข้างจะลึกซึ้งและยากหน่อยหนึ่งตั้งใจฟังแต่พอเข้าใจได้เมื่อกุลบุตรผู้เจริญจิตตวิสุทธิพลาดจิตออกจากกามได้แล้วพึงทำทิฏฐิความเห็นให้ตรงอย่าให้เงื้อมไปในทางผิดคือในทางผิดก็คือ กามสุขาลิกานุโยกและอตตะยิลมัทฐานุโยกทั้งสองอคำว่าเงื่อมคำนี้คงจะหมายถึงภาษาบาลีว่าอันตาอันตาแปลว่าฝ่ายแปลว่ามันมีส่วนอยู่มาโผล่ไปไม่ว่าข้างไหนเพราะงนั้นมัชชิ ม, มาคือกลางความเป็นกลางมันจะไม่ออกไปข้างไหนเลย จิตผู้ที่ถึงขั้นมัชฌิมาแล้วกลางแล้วเนี่ยจะไม่กระดิกไปซ้ายไปขวาไม่มีเลยไม่มีอันตาไม่มีเงื่อมอเงื่มท่านพุทธธาสก็ไม่มีท่านพุทธตาชื่งเงื่อมไงเงื้มไม่เงือมไปทางไหนเลยไม่เอื้อมไม่โผล่ไม่ตรงไม่แผมแม้แต่แผลมไปทางไหนก็ไม่มีตรงแนวอยู่ที่กลาง นะมัชิมาปฏิปทาแปลว่าทางปฏิบัติเพื่อให้ถึงความความเป็นกลางเพื่อให้ถึงกลางตอนนี้แต่ทุกวันนี้ท่านไปแปลมัชิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลางไปแปลเป็นมัชชทั้งๆั้งที่ในมัชิมาปฏิปทามีทั้งภาษามักภาษาผลผลคือมัชิมามักคือปฏิปทาแปลว่าทางปฏิบัติข้อปฏิบัติปฏิปทา เพราะถ้าใครเรียนรู้ข้อปฏิบัติได้ถูกต้องและปฏิบัติได้ถูกต้องด้วยก็จะเกิดผลจนที่สุดก็จบด้วยถึงความเป็นกลางนาถึงมัชฌิมาแต่เดี๋ยวนี้มันเพีย้ยนไปหมดแหละไปแปลเพราะฉะนั้นสองฝั่งฝ้าก็คือการมัสสุคาลิกาโยกกับอัตตกลิมทานุโยกที่อาตมาก็เคยอธิบายวันนี้เดี๋ยวผ่านไปก่อนนคือกามสุคาลิกาโยกและอัตตกลิมทานโยกทั้งสองให้จิต ด, ดิ่ง ฟังดีๆท่านบอกท่านอาธิบายอะไรไว้ละเอียดดีท่านเป็นนักศึกษาและเป็นผู้ที่ปฏิบัติพระพุทธตั้งใจทําเป็นอ่าเป็นทัตคนินเนยบุคคลเป็นบุคคลที่น่าเคารพน่าเคารพแม่ท่านจะอ่าไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยะตามที่ท่านไม่ได้ไม่ได้ปฏิญญาณตนออกมาให้ใครรู้ก็ตามนาแต่ท่านก็เห็นได้ว่าเป็นผู้ที่ทัตคนินเนยบุคคล เป็นโคตรภูบุคคลที่น่าเคารพให้จิตดิ่งอยู่ที่ปัจจุบันกําจัดอดีตอนาคตเสียให้หมดให้จิตดิ่งอยู่ที่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นอนาคตอดีตจะไป็นึกถึงให้เป็นสัมปยุท ธ, ธรรมคืออดีตอนาคตปัจจุบันธรรมรวมอยู่ในที่อันเดียวกันพยายามเลยมีปัจจุบันเท่านั้นอดีตอนาคตเอามารูไว้ตรงนี้อย่าไปคานึงถึงอดีตอนาคตอดีตอนาคตนั่นเป็นตัวสังขาร ความเกิดความดับโทษทุกภัยอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ที่สังขารทั้งสิ้นนี่คือความหมายของความหมายนะเมื่อศึกษาแล้วก็จะเกิดความเฉลียวฉลาดเข้าใจในความหมายเดียวะตะกกะหรือเหตุได้ผลอะไรต่างๆนันนะทั้งก็ตัดเหตุผลกันดีนะเดี๋ยวต่มาจะขยายความว่าที่เอาขึ้นมาอ่านเนี่ยจะได้เห็นว่า นี่ท่านเป็นนักศึกษาเป็นนักปฏิบัติตลอดชีวิตจนกระทั่งนะสิ้นชีพลงไปอยู่ในข้าบของนักปฏิบัติทำอย่างตั้งใจนะพระปูบาลีเนี่ยเมื่อเพ่งสังขารด้วยจิตเพ่งสังขารด้วยจิตเป็นกลางเพ่งด้วยจิตที่เป็นกลางเนี่ยต้องพยายามจิตต้องให้เป็นกลางนะบังคับจิตให้เป็นกลางที่ท่านตั้งชื่อว่าสังขารุปเปขาญาณ นี่คือความเข้าใจของท่านอุบาลีเข้าใจว่าสังขารุปเปกขายา น, นั้นคือเป็นยานเป็นสิ่งที่เพ่งสังขารด้วยจิตอันเป็นกลางที่ตั้งที่ที่ ท, ที่ที่จะต้องพยายามตั้งใจให้มันเป็นกลางกลางกลางแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาหรือทำให้เกิดรู้อย่างนี้เรียกว่าสังขารุปเปกขายานซึ่นต่างที่อาจจะมาหมายผู้ที่เกิด ปัญญาขั้นสังขารุเปคาน้มันผ่านมุลจิตุกรรมยตยานมาแล้วผ่านปฏิสังขานุปัสสนาญาณมาแล้วน่ะผ่านการผลปล่อยวางกิเลสไปแล้วแล้วก็ทบทวนซ้ําๆทําเพิ่มปักิคขาสังนุปัสสนาญาณจนมีสังขารุเปคาญาณจึงเป็นญาณที่ลึกซึ้งไม่ใช่ว่าไปตักเพิ่ปฏิบัติเพื่อที่จะให้มันกลาง มันได้กลางแล้วแล้วทําซ้าทํารักษาผลอาเซปนาภาวนาพระฤาษตํางมังหรือทําซ้ําทําเพิ่มเพื่อที่จะให้เกิดผลเจริญเป็นอัปปนาสมาธิยิงย่งขึ้นยิ่งขึ้นเมื่อเพ่งสังขารนี่ท่านยังพูเพ่งสังขารเมื่อเพ่งสังขารด้วยจิตอันเป็นกลางทําให้จิตเป็นกลางนั้นพยายามประคองที่จริงนะจิตเป็นกลางแล้วแต่ทําให้มันเป็นกลางที่เป็นอเนญชา เป็นกลางที่ตั้งมั่นเป็นสุดท้ายจนเป็นนิจังทุวังสัจตังวิปปินามธรรมังสังนิลังนั่แหละเมื่อเพ่งสังขารด้วยจิตอันเป็นกลางที่ท่านตั้งชื่อว่าสังขารุปเปขายานด้วยอนุโลมปฏิโลมก็จะเกิดยานทัศนคือยถาภูตยา น, นเมื่อเพ่งเพ่งเพ่งจิงจะเกิดยานท่านวางอันนะ่ะเป็นมัจปฏิปทารู้เท่าสังขารเพิ่งเกิดมัอจอาตมาว่ามันเกิดผลแล้วแต่ท่านเพิ่งเกิดมัจ เป็นมักปฏิปทารู้เท่าสังขารคือรู้เท่าสมมุติเป็นวิมุตติยานทัศนะที่เข้าใจว่าเป็นนามเป็นรูปวันนี้จะได้อธิบายเรื่องรูปเรื่องนามอย่างสาคัญเพื่อเกิดวิมุตติยานทัศนะก็เลยเข้าใจตัวนามเป็นนามเป็นรูปเป็นธาตุเป็นขันเกิดเห็นเข้าใจความเป็นนามเป็นพึ่งปัจเิด ก็เข้าใจตอนนี้แทนที่จะรู้จักรูปจากนามมาเรื่อยๆแล้วก็รู้ตั้งแต่รูปหยาบมารูปกลางรูปละเอียดมาก็เพิ่งจะมาเกิดฌานตอนที่เพ่งเพงเพงเนี่นี่คือลักษณะที่เรียนรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะกันอาตมา ก, ก็เห็นใจสงสารเห็นใจนะคือเรียนกันมาแล้วก็ไปทรมากระแสนี้มันก็เลยได้อย่างมีคนแล้วก็นับถือกันมาจนกระทั่งวงการาศาสนาพุทธในเมืองไทยนับถือกันในยะอย่างนี้ ที่อาตมาขออภัยอย่างยิ่งเลยไม่ได้ยกตนกลมท่านอะไรหรอกอาตมาเห็นแล้วก็เข้าใจเพราะอย่างนั้นอาตมาก็เคยทําเคยหลงลิงลมอมก็พองชาตินี้ก็ไปปฏิบัติอย่างนี้ก็เข้าใจเหมือนพระเจ้าลิงลมอมก็พองไปปฏิบัติการอาลานดาวดบทแถมเสียงอย่างนี้เกือบทุกวันเลยนะเกือบทุกข่าวที่เทศเลยนะีเสียงแถม แต่ออกทางโทรรั์ออกทางเสียงทุก<ม>บรรยากาศ ค, คือการรายงานความจริงะทุกบรรยากาศคาอือการรายงานความจริงเออใช่เมื่อกาก็เมื่อกี้ขึ้นตนก็เงื้อเงๆ้งะอยู่แล้วรายงานความจริงเมื่อกี้เริ่มต้นรายการเมื่อกี้เนี่ยก็มันยังไม่สิ่งข้อนายเท่าไหร่ก็ว่ากันไป <c oughs> การปฏิบัติเมื่อเข้าใจอในทฤษฎีหรือในหลักปฏิบัติในข้อปฏิบัติ ที่มันไม่ตรงสมาธิติดแท้มันก็จะเป็นไปตามสิ่งเป็นอย่างนั้นอตมาก็้าถึงว่าเห็นใจเข้าใจเข้าใจทั้งสองอย่างนะอย่างที่ว่าแล้วอย่างที่อย่างอตมาผ่านไม่ใช่ผ่านในชาติเดียวหรอกขอไปพูดไปแล้วมันก็ทุกวันนี้อตมา ก, ก็เนียมตัวเองเหมือนกันว่าอวดใจวอวดโตอวดอะไรอะไรต่างๆนะ่ะที่คนอื่นก็ไม่รู้ด้วยอตมาเนะ่ เอามาพูดเหมือนกับมานั่งเจตนาจะเอาสิ่งนี้มามาลอ่อมาลอ่อมาหลอกมาอะไรที่มันไม่ใช่มันไม่ได้ลอ่อเดี๋ยวเราไม่เจตนาถ้าไม่เจตนาอาตมาทำมาแล้วนี้สำมาตั้งสี่สิบกว่าปีแล้วเดี๋ยวนี้ก็พยายามที่จะรับอธิบายความจริงพวกนี้ให้ชัดขึ้นสําหรับผู้ที่เข้าใจแล้วก็จะได้รู้เหตุปัจจัยเหล่านี้โดยมีความต่อเนื่องจากทั้งอดีตอนาคตนะไม่ใช่มีแต่ปัจจุบันมันจะ ต่อเนื่องกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจา้าจึงได้สอนให้เรียนรู้ให้ครบให้รู้กาละสามให้ครบจนมั่นใจว่าการละสามนี้อยู่ในอนัตของเร า, าอยู่ในอนัตของเราเช่นอนาคตไม่มีตกต่ำอดีตนี่มีแต่ผิดพลาดไปแล้วก็สั่งสมแล้วแก้กลับให้ดีขึ้นดีขึ้นด้วยปัจจุบันเป็นตัวแปรนี่คือตัวจบ น, นี่เรื่องรูปนามคือ ดับความไม่รู้จริงแล้วท่านก็บอกว่าเมื่อเพ่งอย่างนี้แหละเพ่งเอานี่แหละยถาพุทธญาณจะเกิดเป็นมรรคปฏิปทารู้เท่าทันต่างขานและก็รู้เท่าทันสมมุติเป็นวิมุตติญาณทัศนาติเข้าใจว่าเป็นนามเป็นรูปแล้วก็เข้าใจว่าเป็นนามเป็นรูปไม่ใช่จะรู้แจ้งเห็นจริงเลยว่านามเป็นอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี้เข้าใจเป็นธาตุเป็นขันก็ดับความเข้าใจนี้ดับ ความเข้าใจสังขารว่าไอ้โพนี้สังขารดับเข้าใจว่าเอออันนี้คือนามอันนี้คือรูปอันนี้คือขันอันนี้คือท่าจะเข้าใจท่าเข้าใจขันเข้าใจรูปเข้าใจนามเพราะฉะนั้นไอ้ความที่ยังไม่ค่อยเข้าใจในท่านก็บอกว่าดับคือดับความไม่รู้จริงเพราะฉะนั้นตอนนี้รู้จริงจะรู้จริงรู้ความเป็นนามเป็นรูปเป็นท่าเป็นขันที่นี้ตัวก็ไม่ได้เป็นนามเป็นรูปเป็นท่า ทีนี่ตัวก็คือหมายถึงเจ้าของเนตัวก็ไม่ได้เป็นนามเป็นรูปเป็นธาตุเป็นขันเป็นธรรมะเป็นตัวธรรมะทอทงรอหันมอมาตั้งหาก็มารู้ว่าอ๋อเมื่อรู้เข้าใจรูปเข้าใจนามเข้าใจธาตุเข้าใจขันแล้วเออตัวเราไม่ไมันไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สักอย่างไม่ใช่รูปไม่ใช่นามไม่ใช่ธาตุไม่ใช่ขันนี่แหะคือตักกะคือเหตุผล ต่างๆเป็นเหตุเป็นผลเข้าใจเอาอย่างนั้นเลยนะแทนที่จะรู้ว่ารูปคือรูปนามคือนามธาตุคือธาตุขันคือขันสังขารคือสังขารแล้วก็มีเหตุอะไร <yeah. S 2> ไปปรุงในสังขาร น, นั้นดับสังขาร น, นั้นธาตุนั้นก็ไปธาตุสะอาดขันนั้นก็ไปขันสะอาดรูปนั้นก็เป็นรูปสะอาดน้ำนั้นก็เป็นนามสะอาดแทนที่จะเห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้กลับไปเข้าใจว่าไม่มีแล้วรูปมาขันนามาขัน มันละเอียดมากเลยรูปอะไรที่ไม่มีนามอะไรที่ไม่มีธาตุอะไรที่ไม่มีดับไปได้ขันอะไรที่ไม่มีและอะไรมีนี่แหละพระเจ้าที่นี่กลับไปในพระธรปิฎกเป็นสิบกที่บอกว่าก็มีสองอย่างเนี่ยมีก็ไม่มีสองอย่างนี่แหละเป็นเรื่องลึกซึ้งที่จะรู้น่ะม น, นิโรธเป็นยังไงโลกนีโรธโลกนีโรดแล้วก็ ไม่มีสิ่งที่มันปลอมปลงคนที่มันไม่สะอาดมันจะมีรูปมีนามมีขันมีท่าตราที่เรายังไม่ปรินิพานยังมีอยู่วะมันก็ต้องมีมันก็ต้องรู้มันต้องเห็นความสะอาดพวกนี้แต่ถ้าเผื่อว่าไปเอาว่าไม่มีโดยคำนึงเอาว่าอ๋อเข้าใจแล้วมันไม่มีเอ้ามันไม่มีได้ไงรู้มันก็มีส่วนโท้อยู่รูปหยาบยังมีรูปอละเอียดก็มีอยู่อ่านาม ก็ไอ oui, bon, ้ธาตุรูงเราเนี่ยเป็นตัวนามมันก็ยังมีอยู่อ่ะมันเป็น้ารู้ที่รู้อยู่ว่ะว่ามันมีหรือไม่มีก็พูดไปงั้นอ่ะอย่างที่เราเข้าใจอะไรคือธาตุอะไรคือขันก็ต้องรู้ชัดเจนนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นก็เลยไปเข้าใจว่าอ๋อมันเข้าใจแจ้งมันไม่รู้คืออย่างนี้เองพอมันรู้มันก็รู้ว่าอ๋ออันนี้คือรู้อันนี้คือนามอันนี้คือธาตุอันนี้คือขัน แทนที่จะรู้ตั้งแต่ต้นไปเลยว่ารูปคืออย่างนี้นะจ๊ะมหาภูต ร, รูปตั้งแต่ยามเป็นอย่างนี้ไล่มาเป็นอุปาทายรูปมันเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าตามฟังที่อาตมาอธิบายแล้วว่ามาจากกายนอกมหากายในองค์ประชุมมาแล้วมาเป็นกายในจนกายในที่ถูกรูน้นี่มันก็ามาไปหานามมาทำแล้วนะแต่มันยังเนื่องต่อข้างนอกอยู่ตาก็ยังกระทบรูปอยู่นะก็เห็นรูปก็มารูปข้างใน พอเห็นรูปมันก็รูปแล้วก็มันก็เกิดปรุงแต่งเป็นสังขารเป็นความรู้สึกสังขาร น, นี่มันปรุงแต่งขึ้นมามันก็เป็นความรู้สึกของจิตเจตสิก ต, ต่างๆพอมันปรุงแต่งปั๊บเป็นความรู้สึกภาษาพยัญชนะาเขาเรียกความรู้สึกนี้ว่าเวทนาเป็นบาลีภาษาไทยเขาเรียกวความรู้สึกเรียกว่าอารมณ์ปรุงแต่งเราก็รู้แล้วว่ามันคือเวทนาก็เรียนเวทนาในเวทนาต่อนั่นแหะคือเรารู้นามมรูป เพราะว่าไอเวทนานี่เป็นนามที่มันถูกรู้เขาให้ตอนนี้เรารู้รูปแล้วรูปยังไม่สะอาดตรงเรามาเรียนรู้วิเคราะห์วิจัยเวทนาต่ออ๋อในเวทนาในเวทนาร้อยแปดสรุปเลยรู้ว่านี่เคหะสิตะเวทนานี่มันมีบทบาทวิจาระมโนปวิจาระเคหะสิตะเรียนรู้เหตุที่มันต้องปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งมีรสมีชาติมีอะไรอยู่ในแบบโลกโลกีเคหะ ดับเหตุได้เนคขมะเนคขมะเนคขมะสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นจนมันหมดก็เห็นทนโตอยู่ว่ารูปคืออะไรนามคืออะไรรูปคือสิ่งที่ถูกรู้นามคือทาตรู้ถ้ารู้นี่เป็นวิมุติจญานทัศนะหรือเป็นญานณทัศนะหรือยาถาพุทธญาณที่มันรู้ลึกซึ้งกันเรื่อยเป็นโพธิเป็นความตัศนรู้ไม่ได้เป็นว่าอ๋อมันศักด์แต่ว่ามันเป็นมันไม่ใช่นั่นะคือตักกะ นั้นคือเหตุผลข้ อ, อาภาัยอัตมาอธิบายนี่ไปวิจัยวิจารณ์ท่านแต่ที่หยิบขึ้นมาวิจัยวิจารนี่ไม่ได้ไปเกลียบไปชังเคารพนับถืออยู่ท่านตั้งใจแต่ท่านได้อย่างนี้อัตมากเอามาเป็นตัวอย่างในการศึกษาว่านี่แนหะศึกษาอย่างนี้แหละอัตมาข อ, อาภาัยว่าอัตมาว่าอย่างนั้นมันยังไม่ถูกต้องมันยังเพี้ยนอยู่มันยังไม่สมบูรณ์ ถ้าจะถูกต้องมันจะต้องมีรักษะอย่างที่อาตมาอธิบายก็ไม่ได้เชิงไปขม่มไปอะไรหรอกนะก็ยังยกย่องท่านอยู่ว่าท่านสาหภาพาเปลี่ยนศึกษาแล้วก็นงสารอบมันเรียนกันมาอย่างนั้นอ่นะแม่ปูพาลูกปูมาจนกระทั่งมาไกลถึงป่านนี้แล้วเนี่ยนะแล้วก็พากันไปจับไปตายใน ไ, ไม้ที่พาดอยู่ในหมอตต้อต้มดาเดือด ลูกปูแม่ปูไปแม่ปูตกลงน้ําก่อนลูกปูก็ตกลงน้ําตามเนี่ยก็ถูกต้มอยู่ในหม้อมาไม่รู้เท่าไหร่เท่าไร่แล้ว่ปูก็เลยสุกแต่ปูสมัยนี้เนี่ยไม่ค่อยสุกง่ายๆเลยนะอต้มยังไงยังไงกวนดิบอยู่างนั้นดิบอย่างนั้นอ้าวไอ้พูดอะไรเนี่ยอูดถึงเรื่องเอ่ะถึเรื่องอ่าตกลงอ่ะถึงเรื่องปูอ่าตกหลงถทุก เป็นตัวธรรมะชัดใจนะทํานอกชัดใจเลยนะชื่อว่าจิตตะกระแสธรรมนะบอกว่านี่มันเป็นตัวที่ไม่ได้เป็นน้ําไม่ได้เป็นรูปไม่ได้เป็นธาตุเป็นขันมันเป็นธรรมตัวธรรมธรรมะทอดอาหารทอยทอถงรอหันหมอมามันตัวธรรมะตั้งหาเป็นตัวธรรมะชัดใจชัดใจท่านชัดใจท่านแน่ใจในความเข้าใจความรู้ความเห็นเลยนะเข้าใจเป็นตกกะกาทั้งสิ้นเลย แทนที่จะสัมผัสทนโทษเลยว่ารูปนี่สัมผัสอยู่นี่นามพวกเราก็ต้องผัดสิ่งนี้อยู่แล้วก็อ่านรู้ว่ารูปคืออะไรอย่างชัดเจนเลยว่ารูปเดี็ก ว, วันนี้จะขยายรูปอย่างละเอียดพอสมควรเมื่อขยายกายที่เคยขยายมาแล้วกายก็ต้องขยายอีกเพราะมันมันเนื่องมันมันจริงๆเป็นนามนามเป็นไใยพัดกันด้วยซ้ำไปคําว่ากายกับรูปเนี่ย น, นเด็กก็อธิบายต่อตลอดท่านก็เข้าใจวันนี้ท่านโอ้โตัวธรรมะชัดใจ ไอ้ตัวชัดใจเนี่ท่านว่าเป็นจิตตกกระแสธรรมนี่ตอนนี้จิตท่านตกกระแสธรรมแล้วอาตมาอ่านท่านอ่านความเห็นความรู้สึกความเจริญทางทางภูมิธรรมที่ท่านทําเนี่ยที่ท่านได้อาตมาก็รู้ว่านี่แหละคือกระแสหลักท่านเรียนกันมาแล้วทั้งกร็ถองี้และทําให้อาตมานึกถึงคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเลยว่า ตระกูลเดียวกันตะเพาเดียวกันตระกูลเดียวกันตะเพาเดียวกันมาด้วยกันไปได้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องสุพรรณเต้งเจี๊ยบผิงไม่ใช่เติ้งหานเลยเนี่ยไปได้วยกันมาด้วยกันเลยตระกูลเดียวกันเลยนะเป็นอย่างเงี้ยเข้าใจเงี้ยแล้วก็เข้าใจว่านั่นแหละคือประมาจานั่นแหละเข้าใจว่าอย่างนั้นคือถูกต้องแล้วถ้าอย่างที่อาตมาพูดเนี่ยเอานรกมาพูดทั้งนั้นเอาความหลอกลวงมาพูดทั้งนั้น อันนี้อาตมาผู้นี้ไม่ได้เถียงไม่ได้แย้งหรอกพูดความจริงว่าท่านเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเห็นใจเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าอาตมาผิดท่านก็ถูกถ้าท่านผิดอาตมาก็ถูกก็เท่านั้นเองเพราะมันมันมันม น, นาน า, นาสังวาสไม่เห็นต่างกันแล้วนะต่อะนะท่านใจว่าจิตตกกระแสธรรมได้ชื่อว่าได้ดื่มรสของพรหมจรรย์ น, นี่ท่านว่าท่า น, านได้ดื่มรสของพรหมจรรย์เป็นอุปเิวเวก เป็นความสงบของอุปธิแล้วเป็นความสงบของจิตทั้งนชื่อว่าเนคขมมะคุณพระเทตกขมันเนคขมมะคุณนะประการหนึ่งนี่ถือว่าเป็นประโยชน์หรือคุณของเนคขมมะนี่คือการปฏิบัติออกนี่เป็นการออกของท่านเนคขมมะของท่านก็เข้าใจอย่างอาตมาต่างกันอาอตมานี่จะอ่านเวทนาในเวทนาอ่านจิตในจิต อย่างชัดเจนเลยอ่านกายในกายอ่านเวทนาในเวทนาอ่านจิตในจิตอย่างชัดอ่านธรรมในธรรมอย่างชัดทรงว่าอย่างนี้เองเป็นกุศลธรรมอย่างนี้อกุศลธรรมตัวอกุศลธรรมกันอย่างนี้เองทําให้อกุศลธรรมจางคลายเห็นอยู่หลัดหลัหลจนมันดับก็เห็นมันดับหลัดหลัดจึงเรียกว่าเนคขมมาออกได้แล้วหลุดออกมาแล้ว จากแต่ก่อนนี้ยังติ่งตองกันอยู่ตอนนี้ไม่เกี่ยวไม่ข้องหลุดขาดเทิ้งวางปล่อยออกมาเป็นนามธรรมน่นนี่เป็นอาการ น, นามธรรมที่รู้แจ้งเห็นจริงด้วยญาณทัศนวิเศษญาณที่เห็นหลัดหลัดไม่ใช่เป็นนั่งเรียบเรียงเหตุผลตรร ก, กะอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ใครก็ใครละเป็นตักกะไม่ใครก็ใครละเป็นสัจจะ ใครเป็นตักกะใครเป็นสัจจักก็อาตมาไม่เฉียงไม่แยง้งนะหรอกไ ม, ไม่แยง้งให้อาตมาเป็นอะไรก็คุณก็ฟังเอาต่างคนต่างแสดงของตนเองแล้วยืนยันว่าอะไรคืออะไรอาตมาก็ยืนยันอันหนึ่งอีกอันนึงคนนึงที่ต่างกันเขก็ยืนยันอีกอันหนึ่งคุณก็ดูเองอะไรเป็นธรรมวาทีอะไรเป็นอนธรรมวาทีก็ใช้วิจารณญาณเพราะอิสระเสรีภาพใครจะไปบังคับใครได้เนาะเอาท่านต่อว่าแต่นั่นแหละ อุปเิวีเวกก็มีอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงนะอุปเิวิเวกความสงบจากกิเลสตนะอุปทิคก็คือกิเลสตหาต่างๆหรือแม้แต่หมายถึงขันนก็มีอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงอย่างต่ำก็เพียงพระโสดาพระสกิทาอย่างกลางก็เพียงภูมิพระอนาคาอย่างสูงก็ภูมิพระอรหันเนกธรรมะในที่มาบางแห่ง ท่านแสดงว่าเป็นชื่อของพระนิพพานนะพูดถึงพระนิพพานแล้วนในขมาก็ใช่ออกมาได้ก็เป็นนิพพานเนี่ยทุกในโลกดับหมดนะอาตมาพักพูดถึงคําว่าโลกเมื่อกี้อยู่แล้วทุกในโลกดับหมดฟังให้ดีนะความหมายนี้เป็นภาษาชัดเจนว่าเราก็อยู่ในโลกแต่ทุกในโลกนี่เราดับหมดแหละสําหรับเรานะคนอื่นเขายังไม่ดับเขาก็ทุกมันก็ไปแต่ถ้าเราเราทําได้แล้วนี่คือทุกในโลกดับหมด ไม่จะเป็นดับทุกข์ของโลกของเขาทุกข์ของคุณทุกข์ของใครใครไม่ใช่ไม่บางอาจบางอาจรู้ของตนเองทุกข์ในโลกดับแล้วทุกข์ในโลกนี้เราอยู่ในโลกแต่ทุกข์ในของเราดับหมดแล้วนะถึงแม่อัตภาพยังอยู่ท่านก็พูดถูกอ่าแม่แต่ถึงแม่อัตภาพยังอยู่ในโลกใช่ไหมท่านก็พูดถูกถึงจะเกิดโรคคาพาธไข้ตายถึงจะตายโรคคาพาธ คือจะเป็นโรคตายไข้าตายก็ได้รับแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นแม้จะเป็นไข้าตายก็ทุกขเวทนาของการยึดทุกข์ตั้งกายส่วนโสกะปริเทวโทมปปานาตุปายาตไม่ได้ทําให้จิตสะเทือนได้จึงชื่อว่าผู้พ้นทุกข์ท่านก็เรียกเรียงเหตุผลซึ่งมันก็ใช้ได้อยู่นะถ้าเผือว่ามันถูกสภาวะของรูปของนามข อ, ของสภาวะนั้นๆอย่างแท้จริง ใจของท่านนี้ผ่านเป็นอารมณ์อย่างเดียวเสวยแต่นิรามิตรสุขเป็นความสุขอันเลิศไม่เจือด้วยทุกข์ก็ใช้ภาษาที่ถูกต้องอย่าเข้าใจว่าพระนิพพานสูญหายไปอ่ท่านบอกอย่าเข้าใจว่านิพพานสูญหายไปนิพพานคือพ้นทุกข์นิพพานคือดับทุกข์ได้แล้วผู้มีนิพพานทำทรงไว้ซึ่งนิพพานทำแปลว่าของทรงไว้สิ่งทรงไวทรงไว้ซึงนิพพานทำูนังนิพพานนั้นไม่ได้สูญหายไปตราบที่ คูนี้ยังไม่ปรนิพานนะอย่าเข้าใจว่าพระนิพานสูญหายไปสูญหายไปแต่กิเลสโอ้ชัดเจนดีมากเลยอย่าน้นว่านิพานสูญหายสุตานมีอยู่สูญหายไปแต่กิเลสนะนะพูดถ้าเป็นสูญหายไปแต่กิเลสพูดแต่งทุกเท่านั้ น, นะกิเลสนี่เป็นพูดแต่งทุกอริยมรรคอริยผลเป็นของมีจริงพระนิพานเป็นของมีจริง เป็นวิสัยของพระอริยมรรคจะแสดงพระนิพพานให้เห็นเพราะงั้นผู้ใดปฏิบัติมรรคเป็นสมาริมรรคก็จะถึงนิพพานแสดงนิพพานให้เห็นได้ น, นี่เป็นต้นอันนี้เป็นคำอธิบายของท่านเาจ้าคุณ อ, อุบาลีคุณอุปมาจารย์หรือท่านชื่อจันทร์ท่านมหาจันทร์เป็นผู้ที่ในวงการศาสนา นับถือดีนับถือกันอยู่น ะ, ะทีนี้อาตมาก็มีบทความสมัยทันทันสมัยอยู่อีกอันนะก็จะอ่านให้ฟังจะไม่อ่านทั้งหมดหรอกมันจะยาวอาตมาจะอ่านนิดหน่อยเป็นบทความของวันที่ยี่บสองมิถุนาย น, นาในหนังสือพิมพ์แนวหน้าของคุณสุริอัญญาเขียนไว้ ก็ขอสรุปแล้วก็จะอ่านเนื้อหา11ข้อของจีนกฎเหล็กกฎเหล็ก11ข้อของจีนที่ต้องเป็นแบบอย่างของทุกรัฐบาลเดี๋ยวอาจารจะโยงหญ่อธิบายว่ากฎเด็กที่ว่านี่คืออะไรในาศาสนาและทำไมาศาสนาต้องมีกฎเหล็กนะเดี๋ยวจะอธิบายนะเดี๋ยวอ่านเนื้อหาก่อน อาตมาเขาสรุปว่าคุณสิริัญญาเขียนโยงนำมาถึงตอนนี้เหตุการณ์ของจีนมีสีจิ้นผิงเป็นผู้ที่ขึ้นมาเป็นผู้นำใหญ่แล้วก็เลยออกกฎเล็กขึ้นมาสิบเอ็ดประการอาตมาก็อนุโมทนาสศาธศาศาศาศุเห็นด้วยเลยกฎเล็กสิบหกสิบเอ็ดประการนี้ก็เหมือนวิ น, นัย เมื่อสัองคมมันเป็นเช่นนี้จำเป็นต้องมีวินัยเข้ามาเป็นกฎเหล็กวินัยคือหลักเกณฑ์ที่มีข้อบังคับและมีโทษวินัยต่างกันกับศีลเดี๋ยวจะได้อธิบายากฎเหล็กสิบเอ็ดข้อมีหนึ่งห้ามขึ้นป้ายปูพรมแดงหรือมอบช่อดอกไม้แก่คนในรัฐบาลข้าราชการและนายทหารระดับสูง ไม่ว่าจะในโอกาสใด น, นี่คือกฎเหล็กดีมากาแล้วเมืองใหญ่คือกจีนก็ทำแล้วแต่เมืองเล็กอย่างเมืองไทยยังไม่มีวี่แววว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้นและไม่ใช่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เราทาทวนกระแสสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเผื่อว่าเข้าใจอันนี้คือวินัยสำคัญกฎเหล็กสำคัญของสังคมมนุษย์ เข้าใจถึงประโยชน์คุณค่าจริงและทำได้ก็อยู่ได้แม้เป็นแค่วินัยก็ช่วยเดี๋ยวค่อยอธิบายาข้อหนึ่งห้ามขึ้นป้ายปูพร ม, ม, มแดงหรือมอบช่อดอกไม้แก่คนในรัฐบาลข้าราชการและนายทหารระดับสูงไม่ว่าจะในโอกาสใดสองห้ามใช้จ่ายเงินหลวงอย่างฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะในระหว่างไปตรวจราชการ ต้องไม่พักโรงแรมรู้นะกินโต๊ะทีแล้วเป็นแสนอย่างนี้ไม่ได้เนะมาเครื่องบินเมาลำไปแล้วก็มีพูดติดตามมันมันก็พรลนโอบหนังหน้าสาหัสอย่างนี้ไม่ได้นะประเทศจีนเขาตอนนี้เศรษฐกิจดีกว่าประเทศไทยอย่างเทียบกันไม่ติดแต่ประเทศไทยยังไม่สํานึกตัวเองเลยยังจะละเลงละลายอะไรจะอะไรไปคือมัน ยากอะ่ะคือปัญญาคนมันไม่ค่อยจะเข้าใจในเรื่องสิ่งที่ควรเข้าใจก็เหลิงหลงไปตามราษาที่มัอวิชชามันไม่ค่อยจะเข้าใจอะไรมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะห้ามใช้จ่ายเงินหลวงอย่างฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะในระหว่างไปตรวจราชการต้องไม่พักโรงแรมรูสามห้ามจัดเลี้ยงด้วยอาหารราคาแพงหรือสั่งอาหารจนลน้นโต๊ะแม้จะปฏิบัติจนเป็นธรรมเนียมก็ตามเพราะฉะนั้นธรรมเนียมอะไระที่ทํามานี่สร้างธรรมเนียมใหม่ นไปเลี้ยงงานเฉพาะตัวในนผู้ที่มีอํานาจบางคนก็เป็นเลี้ยงวันเกิดตัวเองในโบสถ์พระแก้ว บ, บางคนก็เป็นเลี้ยงในธรรมเนียบวันเกิดของตนเองอะไรอย่งี้เป็นต้นซึ่งยังไม่เคยมีธรรมเนียมเท่าไหร่นั้นสร้างเป็นธรรมเนียมขึ้นมาแลทางตั้งที่ควรจะอันนี้บอกว่าถ้ามีธรรมเนียมแม่เป็นธรรมเนียมก็ควรเลิกน่าไม่ควรจัดเลี้ยงอาหารราคาแพงหรือสั่งอาหาร จนลนตกอะไรนี่ไม่เอาสี่ห้ามมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกงานเลี้ยงห้าห้ามคนในรัฐบาลเจ้าหน้าที่ของกรมการเมืองข้าราชการและนายทหารระดับสูงใช้สัญญาณไซเ่นเพื่อขอทางสะดวกแก่ตนนี่ประเทศใหญ่เขาทำน ะ, ะประเทศเล็กนี่ถือว่ามันเล็กยังไงไม่รู้ก็ไม่ต้องทำมังไงหก ให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการและนายทหารระดับสูงทุกคนอบรมสั่งสอนพัญญาและลูกให้กระทําตนเป็นเยี่ยงอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตห้ามรับสินบนทั้งหน้าบ้านในบ้านและหลังบ้านโอ้โปิดประตูหมดเลยนะทั้งหน้าทั้งในทั้งหลังหมดนะหมด ด้วยเหตุแห่งหน้าที่ของตนเป็นอันขาดห้าหมดไม่ให้รับสินบนอะไรเจ็ดทุกคนที่กินเงินเดือนหลวงต้องใช้ชุดที่ราชการตัดให้เงินฉันน่ะฉันจะแต่งไม่ซ้ำเลยสองครั้งใส่ครั้งเดียวทิ้งจริงจะทำไมเงินฉันนะนะแปด ห้ามเจ้าหน้าที่ข้าราชการและ น, ในายทหารระดับสูงเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่รับอนุญาตทําโดยพระราการไม่ได้เก้าเพเก้าก็สี่สิบเอ็ดเน้นตัวนาเลยดำในที่นี้ให้เวลาให้เวลาหาหลักฐานพิสูจน์ว่ารถหรูราคาแปเมือจริงเขาก็เป็น พิสูจน์ว่ารถหรูราคาแพงกับนาฬิกาแบรนด์ดังที่ใช้อยู่ท่านได้มาจากไหนเพราะเหตุใดนี่แน่ยสรุปแรกก็คือตั้งข้อสังเกตได้มาด้วยยังไงทางเงินปู่ของปู่ของปู่รวยมาแต่เดิมก็ไม่ว่ากันแต่ดูแล้วเนี่เอ๊ะที่มาชกคนนะเจอเจอเจอแน่ สิบบัญชีเงินฝากในต่างประเทศให้เอากลับมาฝากในประเทศโอ้เจ้าจริงๆสิบเอ็ดบุตรหลานที่เรียนอยู่ต่างประเทศต้องกลับมาเรียนในประเทศใหหมดนี่นงประเทศใหญ่นะประเทศจีนนะกฎเหล็กเก้าสิบสิบเอ็ด ให้ใช้กับผู้มีตำแหน่งระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างเข้มข้น้ิ0ที่อัตมาอังกอรสรเกลแล้วเพ้าะ 90-10 สามข้อหลังเนี่ยที่ตั้งแต่ดูีิว่ารถหรูาราคาแพงไอ้นาฬิกาแบรนด์เนม ต, ต่างๆเนี่ยเจ้าได้แต่ใดมาจอมพิพภโลกาท่านให้หรืออะไรหรือว่าได้ดีพบพี่ให้ ก็ต้องพยายามาบัญชีเงินฝากในต่างประเทศให้กลับมาหมดลูกไปเรียนอยู่ในต่างประเทศให้กลับมาเรียนในประเทศให้หมดโอ้โหนี่คือวิ น, นัยกฎเหล็กของเมืองจีนที่เขากำลังจะต้องพัฒนาก้าวหน้าไปแล้วเขาต้องจัดการเพราะงั้นนี่เขาบอกว่าสรุปไปลงไว้ว่าพอกฎของกรรมการการเมือง อันนี้ออกมาแล้วเสร็จเนี่ยลูกของสีจิ้นผิงในผู้ใหญ่ที่สุดเนี่ยเรียนต่างเพศต้องเอากลับทันทีพ่อสั่งเอากลับทันทีเลยเอาลูกกลับมาเรียนในนี้เลยวานคํ า, าคเตือนของสีจิ้นผิงนี้แล้วสีจิ้นผิงก็เตือนอีกอันหนึ่งบอกว่าระวังนะ ะระวังตั้งแต่ท้าวความมาตแต่เมาเจอตรงที่ระวังที่เตือนเอาไว้ว่าระวังสิ่งหนึ่งคือกระสุนเคลือบน้ำตาลนี่เป็นบทความวันนี้นะยีิบสามมิถุนาของคุณิริัญญาต่อเนื่องจากที่จิมพิงเมื่อวานนี้นี่เป็นบทความวันนี้ก็ในแนวหน้าให้ระวังกระสุนเคลือบน้ำตาล กระสุนน้ำตาลนี้จะเป็นอันตรายร้ายแรงยิ่งกว่าสงครามที่ต่อสู้กันด้วยกระสุนเหล็กกระสุนเครือบน้ำตาลคืออะไรคือคอร์รัปชันคือการโกงกินที่ทุจริตทุจริตอย่างไรทุจริตอย่างเครือบน้ำตาลน่าทุจริตอย่างเครือบน้ำตาล และที่จีนระวังมากก็คือ <c oughs> การฟื้นตัวขึ้นของรัฐคุนนางและทุนนิยมนี่ระวังที่สุดการฟื้นคืนตัวขึ้นของคุณนางและทุนนิยมออจจะมา ไม่อยากจะขยายความคำว่าคุณนางกับทุนนิยมเท่าไรเพราะว่าขยายแล้วมันเป็นโดนระเนระนาดหมดเลยหาเรื่องให้ตัวเองบอลหัวแตกมันก็เลยไม่อยากจะขยายเท่าไรไม่จะกลัวหรอกแต่ว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ควรจะให้เข้าไปมีอารมณ์แบบนั้นเกิดขึ้นแล้วก็มาปฏิบัติการมันเป็นบาปอาตมาก็ไม่อยากให้เขาทำบาปนะเพราะว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาความเป็นความตาย ทั้งหมดเลยไม่ของผู้บริหารตัวเล็กๆน้อยๆมันคอรับชัน้นอะไรแต่ ไ, ม, ไม่ได้อะไรก็ลแล้วหร่ละแต่ตัวสูงๆตัวใหญ่ๆคอรับชั้นเนี่ยมันพังกระทบประเทศกระทบมวลมนุษย์ในสังคมของเขาของใครก็แล้วแต่มันเป็นความเป็นความตายของพรรคของกองทัพของรัฐบาลประเทศจีนก็บอกว่าของประเทศจีนเลย ที่นี้สำหรับประเทศไทยเราเนี่ยไม่เพียงแต่การทุจริตคอร์รัปชันขยายตัวเติบโตและรุนแรงอย่างไม่หยุดยั้งอย่างต่อเนื่องเมองไทยนะไม่ใช่ให้ระวังลูกกระสุนอาบยาพิษนะอที่จริงมันน่าจะเรียกรู่ระเบิดรุ่นระเบิดอาบยาพิษแต่กระสุนมันก็วิ่งไปเนาะรุ่ระเบิดมันก็วิ่งได้แต่มันมันก็ก็พอกันนะก็คือสิ่งที่ไม่ดีนะ การไม่เพียงแต่การทุจริตคอร์รัปชันขยายตัวเติบโ ต, ต, ต, ตและรุนแรงอย่างไม่หยุดยัง้งอย่างต่อเนื่องชนิดไม่เกรงฟ้าไม่อายดินโกงทุกเรื่องโกงทุกโครงการโกงย่อยฟ้าทาดินและไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นอย่างนี้บ้านเมืองของเราจะอยู่รอดได้อย่างไรอนี่คือกิจการภาร ก, กิจของชาวไทยทั้งประเทศที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันกำจัดกวาดล้างพวกโกงบ้านพลานเมืองให้สิ้นสาด นี่เป็นบทความของคุณสิริัญญาอัินี้ก็เข้ามาหาการอธิบายแบบธรรมะกฎเหล็กนั้นคือวินัยต่างจากศีลพระพุทธเจ้าท่านสร้างาศาสนาด้วยศีลสมาธิปัญญาวินัยนั้นเดี๋ยวนี้ก็มาตีความว่าศีลความจริงแล้วมันไม่ใช่ วินัยนั้นมันจะเกิดเมื่อมันเกิดความเสมื่อมส่วนศีลนั้นเมื่อใครเอามาปฏิบัติเป็นหลักเกณฑ์ถ้าของพวกก็เรียกว่าเกณฑ์ตายตัวจุลศีลมัจจิม <ages>, ศ <us> <Der> <ana> <ari> ีลมหาสีลอนตมาอ้างแล้วว่าเป็นศีลของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมนูญของพระพุทธเจ้าที่ท่านสร้างศาสนาไปในๆนก็เอาธรรมนูญนี้ไปจุลศีลมัจจิมศีลมหาสีลเนี่ยประกาศไปไม่ว่าพระเจ้าเป็นดินแคว้นในๆๆนๆ ยอมไม่ท่านหมดธรรมนุนี้ยอมให้จนท่านเป็นรัฐอิสระเป็นรัฐอิสระแม่รัฐอื่นๆเขายังไม่ได้ใช้ธรรมนูเนียแต่เขายอมพระพุทธเจ้ายอมจนกระทั่งถึงว่าไปที่รัฐไหนๆคนของรัฐนั้นเขาสมัครเข้ามาถือธรรมนนญนี้แล้วปฏิบัติจริงรัฐยกคนนั้นให้ ไม่เอาคืนไปทั้งทั้งที่เป็นยุคธาตเป็นยุคสมุรนนายาสิทธิราชเป็นยุคเป็นยุคที่ไม่รู้จักอิสระเสรีภาพไม่รู้จักสิทธิมนุษยชนแต่พระพุทธเจ้าปลดแอกอิสระเสรีภาพได้เอาธาตเข้ามาอยู่ในปลดจากธาตอยู่ในแควนของเขามาอยู่ในแควนของพระพุทธเจ้าอยู่ในรัฐของพุทธเจ้า ที่เป็นรัตอิสระหลุดพ้นจากความเป็นทาสเลยหลุดพ้นเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่ 2,600 กว่าปีมาแล้วที่พุทธเจ้าท่านทำมาสำเร็จเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาตมานำมาพากันทำพวกเราก็ทำอมีศีลมีธรรมและก็เข้ามาเอง มาอิสระเสรีภาพหลุดพ้นจากความเป็นทาตในทุนนิยมโลกียะใครได้พอพูดไปถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้ใช่เราหลุดพ้นจากเป็นทาตในทุนเป็นธาตโลกียะมาบ้างแล้วไม่หมดก็ตามใครรู้สึกว่ามันเป็นจริงอย่างงั้นลองยกมือสิโอโฮอาตมาไม่ศูญเปล่าไม่เป็นหมัน สามารถที่จะเอาธรรมะพระเจ้านี้มาประกาศในยุคนี้จะเป็นยุคตาทัวผู้มีในทุรีในวดวงวงตามากไม่ใช่ผู้มีในทุรีในดวงตาน้อยก็ยังสามารถที่ผ่านทัวเมื่อเห็นธรรมะได้แล้วก็เห็นความจริงว่าตัวเองได้หลุดพ้นออกมาจากสิ่งอย่างนั้นได้หลุดอิสระมาเลยใครห้ามกัน้นบกคุณไม่ได้ใช่ไหม แม้จะอยู่ในประเทศไทยที่เขามีแบบนั้นแต่ธรรมนูญที่อาตมาพาทมนี่ก็ยังเป็นธรรมนูนพระพุทธเจ้าที่พาทมอยู่เนี่ยจุลศรีลมชิมศีลมหาศีลและแม้มีวินัยอีกก็ต้องเอาด้วยเพราะยุคนี้เช่นเดียวกันกับเมืองจีนประกาศวินยัยกดเหล็กมาอีกสิบเอ็ดข้อประเทศต้องทาด้วยหมดเลยถ้าไม่ใช้วินัยนี้ไม่อยู่ วินัยคืออาณาศีลอาทยาหรือศีนอาณาศีนบังคับละเมิดและมีโทษด้วยแต่ศีลจริงๆนั้นอิสระเสรีภาพใครเห็นดีเห็นงามก็มาปฏิบัติได้เจริญเองใ้ผลของศีลก็เจริญไปเองเป็นศีนเป็นธรรมอย่างของตนเองแต่ส่วนวินัยนั้นจำเป็นหรือกฎเหล็กที่จะต้องใช้หรือว่าระเบียบข้อบังคับกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาบังคับ มันจําเป็นที่จะใช้ในสังคมที่จําเป็นต้องมีกฎนี้ถ้าไม่มีแล้วมันก็ผายไปไม่รอดเราก็ต้องเข้าใจถึงเหตุปัจจัยนี้ด้วยอนะเพราะฉะนั้นสังคมยิ่งมีกฎเหล็กออกมามากเท่าไหร่ก็สแสดงถึงความลำบากความเสื่อมของสังคมนั้นๆมากขึ้นอนะถ้าไม่ต้องใช้กฎเหล็กเลยผู้ที่บรรลุแล้วกฎเหล็กก็เรื่องสะดวกง่ายมากเพราะฉะนั้นใน ศีลที่เราตั้งมาจุลศีลยี่สบกข้อเนี่ยพอมาเป็นวินัยต้องดึงเอาจุลศีลมาใส่หรือแม้แต่ในมัชิมาศีลมาหาศีลบางข้อก็ยังเอาดึงมาใส่ในวินัยเพื่อบังคับซ้ำอีกให้มันมีข้อบังคับและลงโทษเพอมันไม่ได้มันสูญเสียศีลก็เลยลดหย่อนมาเป็นข้อบังคับเป็นวินัยลงไปบ้าง ทุกวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าศาสนาพุทธในเมืองไทยในี่พระไม่ได้มีศีลแต่มีวินัยเท่านั้นแต่ปุโรปุเรไปเรียกว่ามีศีลสองรอยิบเจ็ดแต่เปล่าพอพูดถึงศีลจริงๆโอ้โหเจ้ามีได้เหลือประเทศไทยโ อ, อุ้หศาสนาพุทธเป็นเช่นนี้จริงๆอัตมาก็สงสารไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามันมันมันถอดรูปไปเป็นพุทธเป็นกรองอนากะไปแล้ว เป็นกรองอนักระไปกรองที่ยังชื่อว่าพุทธหรือชื่อว่าอนักระแต่เนื้อกรองหนังกรองอะไรตอะไรเป็นสาระของกรองมันถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็ น, ป น, ป น, ปนอันอื่นๆหมดแหละอาตมาก็พูดซ้าพูดซ่าพูดอธิบายความจริงในี้สู่ฟังแล้วก็หาว่าอาตมาไปว่าอาตมาให้สติเตือนใจให้ความรู้ไม่ได้มานั่งดูถูกดูแคลนอะไร น, ะนี่คือเรื่องของวิ น, นัยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเมืองไทยนี่นะ โอ้โหเอากฎเหล็ก11ข้อนี้มาใช้เนี่ยประเทศไทยจะเห็นหน้าให้หลังเลยเชื่อไหมเห็นหน้าเห็นหลังเลยจะโอ้โหพัฒนาเจริญขึ้นเลยแม้แต่พักที่บริหารประเทศไทยอยู่ตอนนี้ได้คะแนนเสียงมากจะอยู่เป็นนานเลยขอให้ปฏิบัติตามกฎเหล็กนี้ให้ได้เถอะผู้บริหารเนี่ยทำได้จริงๆเลยปุ๊บเลยนะเนี่ยรับรอง เลือกตั้งอีกแล้วแล้วอีกได้โดยไม่ต้องมาหวานเงินไม่ต้องมาหลอกล่อไม่ต้องมาเล่นเล่ยเล่นกลนนไม่ต้องมาโกงมาเกิงเลยได้จริงๆเลยประชาชนจะเลือกเลยเชื่อไหมเออคุณจะเลือกไหมเออปฏิบัติตามกฎเหล็กนี่เลยนะสิบเอ็ดข้อนี้ไม่ต้องเอามากอเอาแค่สิบเอดข้อนี้ก็ได้จริงแค่ห้าข้อก็ห้าข้อก็ได้โอ้คนนี้มักนอจะโดดลอเอาแค่ห้าข้ออ่ ข้อเดียวก็ยังดีเนาะครับนี่มันไม่ได้สักกข้อเวเอระเวนน่ะอัตมาพูดนี่ไม่ได้หมายความว่าอัตมาแพะมาชนแกะมาพูดรถโปโลปเูเลอะไรไม่ใช่ถ้าผู้ที่เข้าใจแล้วจะฟังเข้าใจดีว่าเออมันเป็นเช่นนี้เองมันเป็นสัจจะน่ะอาทีนี้มาเข้าสู่สัจธรรมะบ้างที่เป็นแนวลึกลงไปอีก นะก็เอสมเอสตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดมาเนี่ยก็ขออา่านไปบางข้อบางเรื่องของผู้ที่จะหยิบมาใช้อธิบายในนี้นี้ได้บางสำหรับบางท่านบางคนอาตมา ก, ก็ขอผ่านไปแสดงความดีใจที่ได้ปฏิบัติแสดงอะไรอะไรขึ้นมาก็อนุโมทนาด้วยเจ้าหนึ่งบอกว่าเจ็ดคูณเจ็ดสี่ศูนย์สี่บอกว่านามรูปนามรูปก็คือรูป ของนามในจิตนามมารูปก็คือรูปของนามในจิตพูดง่ายๆแบบนี้ถูกไหมครับถูกไหมใช่ได้นามมารูปก็คือรูปของนามในจิตนามคือธาตุรู้เวทนาเนี่เป็นธาตุรู้ความรู้สึกอารมณ์ที่อาตมาอธิบายและที่ไพอมันประชุมกันเข้าพับสังขารปรุงแต่งเข้าปปั๊บ มันก็เป็นลักษณะสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์หรือชอบใจไม่ชอบใจอะไรก็แล้วแต่มันก็เกิดเป็นอารมณ์อย่างนั้นเป็นปรเรื่องพุทนาภาษาเรียกว่าอารมณ์หรือความรู้สึกแต่สภาวธรรมมันเป็นอาการอย่างนั้นแหละอาการสุขอาการทุกข์อาการไม่สุขไม่ทุกข์หรืออาการชอบใจไม่ชอบใจอย่างนั้นแหละ <of Question: S 1> ถูกญาณปัญญาเรียกว่านามธรรมาของเราปัญญาของเราญาณของเรา เขาไปอ่านรู้อาการดิงคะนิมิตอุทเทศของมันอ่านออกจริงๆอ่านยานี่มันโอ้อาการอย่างนี้เองตาตาความจริงมันเป็นเช่นนี้เองนาะนามาทาเอ้ยมันไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีสีไม่มีสันไม่มีตัวไม่มีตนหรอกความสุขเนี่ยท่านอธิบายเป็นปุกลาทิฐานว่าเป็นเทวดานะจ๊ะเป็นสมุติเทพนะ ความสุขเพราะฉะนั้นผู้ที่อ่านออกก็เลยเห็นเทวดาโอ้เทวดาใครเป็นเทวดาของใครขอ ง, ของตั ว, ตวเองตัวเองเป็นเทวดาผู้ที่เข้าใจความเป็นเทวดาและเทวดานี่คือสมมุติเทพยังไม่ใช่อุปติเทพยิ่งวิสุตติเทพยังไกล ยังเป็นขนโกโลกยังเป็นเคหะสิตะโสมมนัตเวทนาเป็นมนโนปวิจานของเกิาทตั้งตาเกิดสุขกิดทบทั้งหูเกิดสุกกิดทบทั้งจมูกลิ้นกายเกิดสุขตัวดอย่างเนี้ยก็เห็นอาการสุขนี้เห็นความเป็นเทวดาวสบายขึ้นชอบใจสบายสวรรค์หอลอยล่องเลยอพอไม่ได้สมใจก็ทุกข์ ทุกข์ก็สัตว์นรกละเรียกว่านิริยภูมิทุกข์ดิ้นรนมากก็นิยภูมิไม่ดิ้นรนเท่าไหร่ก็เรียกว่าการดิ้นรนในเดน็กตัวกลางเรียกว่าเปลตหรือยอดปิติวิสัย่ที่นี้มันดิ้นโดยไม่รู้เรื่องมันเลยมันโง่มันตํามันเป็นเดริชานมันเป็นสัตว์ตกไม่รู้ตัวไม่รมู้ไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีดำมันดำนิสนาไปหมดเลย อย่างที่คนกิเลสคุมเลยพวกพวกเอเสี่ยงยางี่เป็นต้นพวกติดจนดำมืดหน้ามืดในกามหน้ามืดในราโลรพาโทสหน้ามืดในการที่จะต้องฆ่า ม, มันเสียเอภูมิเียมันมาเดี๋ยวนี้ก็ฆ่ากันอะไรใจต่างๆนานาอย่างที่ทํากันอยู่เนี่ยคือมันเป็นความอาวิชชาที่เขาไปตั้งเอาโลกธรรมเป็นหลัก แล้วธรรมะอย่างนี้นี่เขาไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้ผิดรู้ถูกนะไม่รู้เลวรู้เจริญอะไรเลยแล้วเขาก็ทำไปได้อย่างนี้แหละนะว่านามรูปคื อ, คอนามรูปในป็รรูปของนามในจิตนั้นเดี๋ยวจะได้อธิบายตามฟังตอนดีๆต่อมาของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าตะวันที่เอ็ดพ่อท่าน ขอภัยท่านเป่นดีเขาไม่ได้อัตมาพ่อท่านเขาเรียกพอทอรอจุดบาตีเขากิใส่น้าสรพ น, นามาธรมามาเป็นอะไรอะไรสารพัดที่จะลบลูดูถูกจับจ้วงอะไรอะไรก็อาตมาก็เข้าใจเขาอาตมาไม่ได้กได้เครืองหรอกเพราะว่าตำแเนียงโสภาษากุริยาโสสกุลมันเป็นธรรมดาธรรมชาติอาตมาก็ไม่ได้ถือสาอะไรแต่มันก็เป็นของจริงของเขาอย้ะอาตมาก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงเท่านั้นพทรอโมว่าคนหาก ตนเองตายนะโมถือเป็นคำโมฆอัรมาเลยว่าหากตนเองตายจะตายแบบลืมตาด้วยแม้เก่งปานนั้นเชียวนี่ถ้าส า, าวกคนไหนชอบแบบนอนตานอนตายตาไม่หลับก็จงปฏิบัติสมาธิลืมตาต่อไปนะว่างั้นอรตมาก็เข้าใจเขาอะ เขาเข้าใจเขาจะเข้าใจไหมน้อว่าพระพุทธเจา้าตรัสว่าจักขุมาปรินิพุโธติคือตายเนี่ยปรินิพานปรินิพุโธติตายอย่างลืมตาเนี่ยจักขุมาก็คือผู้มีตาผู้มีจักสุจักขุมาตายอย่างผู้มีตาเห็นเห็นลืมลืมล ม, มีจักขุมีญาณมีปัญญามีวิชามีแสงสว่างเนี่ยแหละวะ่านิพานหรือปรินิพาน เขาบอว่าเข า, า, าทำอย่างนี้แล้วแม้เก่งปานนั้นเฉียวเฉือนนี้อแล้วก็บอกว่าถ้าสาวกคนไหนชอบแบบนอนตายตาไม่หลับเน่ยตาไม่หลับเคยคือพาซื่อนะว่าอันนี้คือหมายความตื้นตื้นตนเขินว่าเป็นคนตายแล้วตาแข็งตาไม่หลับแข็งตึงอีกความไม่งั้นเลยก็เข้าใจได้ว่าภูมิข อ, มมของเขาอย่างนี้ภูมิภูมิมาทำเขาอย่างนี้ภูมิรุ่งเขาก็เป็นอย่างนี้แค่นี้ย คือเจตนาจะประชดประชันแดกดันอาตมาก็รู้นะเขาอาจจะมีปฏิพันธ์ดีกว่านี้แต่เขาไม่เอาดีๆมาพูดกับอาตมาเราวเขาจะต้องเอาลักษณะพวกนี้นมาประชดประชันแดกดันอาตมาซึ่งก็แดกดันอยู่มาเสมอก็อาจดูฟังก็คงจะได้เห็นอะไรสักต่อเวลาอาตมาเข้าใจแต่อาตมาอไม่ได้ถือสาอาตมาเอาประเด็นที่การกระทําที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องหรือว่าไมเอาวิชามไม่รู้นะ้มาขยายให้เป็นความรู้ซะ อาตมาก็คือเขาตีงูมาอาตมาก็เอางูมาให้กากินซะเขาตีงูมาอาตมาก็อเอางูมาให้กากินไปเรื่อยๆอเอาประโยชน์เขาขว้างอิฐขว้างหินเอามาทมถนนขว้างขี้มาเอาไปทําปุ๋ยอะไรเงี้ยอาตมาไม่ได้ไมีปัญหาหรอกใครจะขว้างอะไรมาโดนยังไงโอ้โหบางทีขว้างขี้มาเต็มหน้าอาตมาเลยนะอ า, อาตมาเออขี้ก็เอามาทําปุ๋ย ก็ล้างหน้าล้างตาลราไปนะคนขว้างก็คือเขานกรรมใครกรรมมันเขามันอาตมาไม่ได้เป็นเป็นเขาเป็นเขาทําจริงกรรมเป็นอันธรทำนะทําจริงๆนต่อมาอีกคุณแปดเจ็ดศูนหน้าบอกว่าพุทธเจ้าอาจใช้คำว่าอาจนะอาจจะให้อโศกนะอาจพุทธเจ้าเนี่โอ้โหไปไป ย, ยัดใส่มือพุทธเจ้าเลยนะยัดใส่หาตรเลยพุทธเจ้า พุทธเจ้าเขาไม่เคยเรียกว่าพระพุทธเจ้าเราเขียนเล่เขาจะเขียนพุทธเจ้าเท่านั้นพุทธเจ้าอาจให้อโศกเป็นสัตตว่าที่สิบก็ได้เนืองสัตว์มีเก้าเนี่ยเลยเป็นสัต ว, ต ว, นะ ว, ตว์อีชนิดหนึ่งมันที่สิบเพราะมีสัญญาของเดรัจฉีอยู่ครบนะว่า ง, งั้นเลยนะเพราะว่ามีสัญญาเดรัจฉีอยู่ครบเพื่อนก็คงจะเป็นสัตว์วาที่สิบก็ได้อะสัตว์วานี่ที่สิบอ้าวก็เก่งนะอ่าก็ พยายามจะยัดเยียดน่ะัดเยียดสัตว์ว่าที่สิบให้อัตมาน่ะทีนี้อันต่อมาคุณแ7 0 5จศนห้าก็บอกว่าเป็นเพราะว่าโพธิรักษ์รู้แค่ตัวหนังสือมาก็ตัดสินอัตมารู้แค่ตัวหนังสือแต่ไม่ได้เห็นด้วยญาณจริงๆว่าขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจริง ไม่ได้มียานรู้ว่าขันห่านี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจริงฉะนั้นโพธิรักษ์จึงไม่รู้จึงไม่รู้ว่าเมื่อผู้ใดได้เห็นด้วยญานแล้วจะเคยกายกับท่านพระอุบาลีนะเมื่อผู้ใดได้เห็นด้วยยานแล้วว่าขันห่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อผู้นั้นย่อมเมื่อนั้นเมื่อผู้ใดเห็นนะผู้ใดเห็นว่าขันห่านี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เมื่อนั้นผู้นั้นย่อมจะเกิดความเบื่อหน่ายและเมื่อเบื่อหน่ายย่อมจะคลายกำหนัดโอ้โหโคตมาจากพระเจ้าปิฎกเลยนะเนี่ยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมจะคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นและมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอู้คัดโคตอัตมาพอจําได้จากพระเจ้าปิฎกเป้เลยเก่งมากนะจิตย่อมหลุดพ้นและมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว แล้วก็บอกว่าซึ่งความโง่เขลาไม่รู้จริงนี่แหละที่ทาให้โพธิรัตน์เป็นมิจฉาทิฐิดุจเทวทัตดุจเถนเทวทัตโอเคนะลงทาง้าวตกลงไหมจะยัดเยียดให้อัตมาเป็นเทวทัตอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ผู้ที่จะยัดเยียดก็ยัดเยียดไปนะไม่มีปัญหาอะไรหรอกก็ยัดเยียดอัตมาไปเรื่อยๆก็ยัดเยียดไปเรื่อยๆนะ เดียวสิอันนี้ยังไม่ได้อ่านนะเพราะงั้นที่คุณแปดจนย์ห้าบอกว่าอาจจะให้อโศกเป็นศตวรรษที่สิบก็เพราะว่ามีสัญญาของเดรธีอยู่ครบเดี๋ยวจะได้พูดถึงสัญญาก็พูดกันเดี๋ยวก็จะได้พูดถึงอีกพอสมควรเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องสัญญาเพราะมีสัญญาของเดรธีอยู่ครบสัญญาการกำหนดรูการหมายรูต่างๆเนี่ย และความจําสัญญามีสองไนยะนะซึ่งอาตมาว่าอาตมาเข้าใจสัญญาและใช้สัญญามาตลอดและทำงานมาจนถึงทุกวนันนี้จนสามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในสัญญาเวทยิตะนิโรธใช้สัญญาเนี่ยกำหนดเข้าเคลียอารมณ์เวทนาในเวทนาร0อยแปดจนกระทั่งชัดเจนว่าเออเรามีอะไรแค่ไหนจนได้ผ่านในวัฏสญญานาสัญญายตนะ มาได้ดับสัญญาเวทยิตะนิโรดดับสัญญาที่มันจะต้องดับสุดท้ายพ้นในวัญญานาสัญญาเจตนะพ้นคำนี้คือสมติกกรมติพน้นล่วงพ้นภูมิของเนวัญญานาสัญญายตนะเกิดเกิดเป็นนิโรดเกิดเป็นสัญญาเวทยิตะ น, นิโรนีนอัตมารู้วก็เข้าใจอย่างนี้เห็นอย่างนี้จริงๆเพราะ ค, ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่อัตมา เข้าใจในปรมตาภพนี้นี่ก็ดูจากจิตใจตัวเองนะรู้จักจิตใจตัวเองว่าโอ้จิตใจของเราเนี่ยตอนนี้อยู่ในภูมิไหนอยู่ในลักษณะอะไรรูปประจานทั้งสี่ชาตหนึ่งชาติสองชาตนสามปัจจัยจิตของเร า, เาตั้งอยู่ในอุเบกขาะอุเบกข า, า, าเป็นฐานนิพพานจะมีอยู่ตลอดเวลาเป็นฐานอาศัยอุเบกขาเนี่ยจะไป ตรวจสอบด้วยอรูปฌานอีกสี่หรือจนกระทั่งถึงคำวันนิโรธอุเบกขาก็ยังอยู่เป็นปริสุทธาประโยธาตามุทุกรัมรมัญญาภวัตสราอยู่อย่างนั้นแหละเพราะมันเป็นฐานนิพพานตั้งแต่ต้นจนสูงสุดเลยอุเบคขานี่คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าฟังแล้วจะพอเข้าใจสราบซึ่งไหมนอ้อที่ว่านี่นะเพราะฉะนั้นอาตมาใช้สัญญาเป็นเครื่อง กำหนดหมายรู้ตรวจสอบแล้วก็ปฏิบัติมาจนถึงวันนี้แล้วก็เข้าใจว่าอาตมาใช้สัญญาเหล่านั้นเป็นสัญญาเดรธีก็พูดกันได้เดรธีมายความว่าผู้ที่ไม่ใช่ลัทธิพุทธใครละ่ะมีสัญญาอย่างไม่ใช่ลัทธิพุทธโดยสัจจะคนนั้นก็คือเป็นเดรธีตัวจริงส่วนใครที่ใช้สัญญาถูกต้องตามลัทธิพุทธคนนั้นก็เป็นพุทธไม่ใช่เดรธี ก็อยู่ที่สัจจะส่วนจะประตูกันไปตู่กันมาอาตมาไม่ต้องไปตู่ใครหรอกใครเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเองนะอ่าอตมาก็อธิบายไปแค่นี้ก็แล้วกันอันนี้ต่อมาเอสเอเบสวันที่ยี่บสองเมื่อวานนี้คุณเจ็ดสี่ศูนย์สี่บอกว่าครบสัตตบรุษก็แล้วแต่บุญใครบุญมันสัต์เขาศรัทธาใครก็คิดว่าคนนั้นคือสัตตบรุษ ผู้ใดที่จะคบสัตรบุรุษหรือว่าไปพบสัตรบุรุษแล้วแล้วก็ครบหานสัตรบุรุษก็ก็แล้วแต่แล้วแต่บุญใครบุญมันมีบุญมีบารมรีคนใดพบสัตรบุรุษคนไหนก็ถือว่าคนไหนเป็นสัตรบุรุษก็ศรัทธาใครก็คิดว่าคนนั้นเป็นสัตรบุรุษคุณเจ็ดสามศูนย์แปดบอกว่าเพราะเหตุใดถึงบอกว่าโสดาบันถึงปากหอกคะแล้วอริยะขั้นอื่นไม่ปากหอกหรือ คำว่าปากหอกนี่คือมุขสติภาษาบาลีท่านว่ามุขสติมุขพระว่าปากสติก็คือดาบหอกหอกดาบมีดาบหอกเพราะอะไรเพราะมันเกิดมันเกิดมานันอัตตาขึ้นมาโสดาบันนี่จะมีของดีได้ดีรู้ดีพอมีได้ดีก็มันมีอัตตาเครือเรียกว่าเรื่องขึ้นมามันเครื่องขึ้นมามันก็ไปเข้าใจคนอื่นได้พอสมควร แล้วก็หลงตัวเออตัวเองได้ดีแล้วก็ได้จริงๆอ่ะแต่ความเขืองพวกนี้มันก็เลยก็เลยไปเสียบคนอื่นได้หอกปากพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้นะในปัญญาเจ็ในปัญญาเจ็ดของโสดาบันนี่มีข้อหนึงท่านติงไว้เลยว่าเนี่ยยังมีสงครามปากหอกอยู่ข้อแรกเลยแหละปัญญาข้อแรกของโซดาบัน เพราะมันจะหลงตัวไปบ้างคนไหนไม่หลงตัวก็ดีก็ไม่มีปากขอบแต่ส่วนมากมันจะเผลอหลงตัวมันไม่ได้ดีอมันก็เลยแสดงออกไงการแสดงออกอย่างหนึ่งนะแสดงออกว่าฉันมีนะเมื่อคนไปได้เพชรได้ทองมาก็รีบห้อยใหญ่เลยอวดอ้างเขามันก็เลยไปแสบตาคนอื่นอ่าเพชรพลอยไปแสบตาคนอื่นแต่นี่มันได้มันเป็นนา ม, มาทําก็เลยเอาไปเสียบด้วยปาก เป็นปากห่องเป็นธรรมชาติอันหนึ่งใบบ้างมันต้องระมัดระวังนะระมัดระวังคนที่ได้ภูกมาทําได้อะไรแล้วก็ระมัดระวังมันจะเอาไปข่มคนอื่นเอาไปเสียบคนอื่นเอาไปอวดอ้างเอาไปอะไรนะมันอยากอวดน่ะมันเหมือนได้เพชรได้ทองมันยิ่งกว่าเพชรกวทองมันอยากอวดแล้วมันไม่อวดปล่ามันไม่ใช่แสบตาปล่ามันเอาไปทิ่มคนอื่นนเจ็บปวดด้วยนะนี่ก็อธิบายความหมายให้ฟังชัดๆทีนี้คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้า บอกว่าถ้านรกสวรรค์มีอยู่แต่ในใจแล้วก็นะคํ า, า, าผู้ขอกิจารณแค่นี้ก่อนคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเนี่ยยังเข้าใจคําว่านรกสวรรค์มีอยู่แต่ในใจนี่ก็ยังไม่ได้อยู่นั่นเองอธิอมายว่าขอยืนยันว่านรกและสวรรค์ไม่มีที่ไหนไม่อยู่ในที่ไหนนอกจากจิตใจอยู่ในจิตวิญญาณ นรกสวรรค์นอกจิตวิญญาณไม่มีเลยในมหาจักรวาล น, นี้ไม่มีนรกอยู่ที่ไห น, นจิตใจอยู่ที่นั่นสวรรค์อยู่ที่ไหนจิตใจอยู่ที่นั่นคนเป็นก็อยู่ที่คนเป็นตายไปก็อยู่ที่จิตวิญญาณของอัตภาพของของแต่ละคนนั่นแหละนั่นคือนรกสวรรค์อของคนนั้นคนนั้นนอกใจไม่มี แค่นี้เขาเข้าใจไม่ได้ก็อาตมาเขาว่าต้องว่าอาตมาแหละว่าถ้านรกสวรรค์มีอยู่แต่ในใจก็ตื้นๆก็เกินเหมือนกับอะไรเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าอะไรที่ว่าอาตมาเมื่อกี้นะนะเออตาตาหลับก็เอาแต่ตาข้างตาเติ่งตาอะไรอะอาตมาเขาว่าเออถ้าแล้วถ้าจะพูดว่าจากครูมาปรินุภูมิโพสีจะพอรู้เรื่องไหมเนี่ยตายปรินิพพานรือิพพานด้วลืมตาหรือมีตาผู้เป็นผู้มีตานี่จะเข้าใจไหมเนี่ย ก็ได้ตาตาแล้วก็ตาค้างแล้วต้องเอามือเป็นรูปหนังตาปิดลงมาก็าจะแจ้งนั้นน่ะเข้าใจแต่คแ ค, แครร่อย่างงั้นก็คล้ายกันก็เข้าใจนรกสวรรค์ก็มีแต่ในใจเขายืนยันว่าถูกต้องที่สุดนรกสวรรค์มีแต่ในใจแต่คุณจะเข้าใจได้ไหมเราว่านรกสวรรค์อยู่ในใจเอนรกสวรรค์อยู่ที่ก้อนหินก้อนดินไม่มีอะไรที่ไม่มีธาตุจิตธาตุรู้ไม่มีนรกสวรรค์อ่ะอ่า วันนี้ไม่มีพลไม้เลยอ้างผลไม stating, ้ก็ไม่ได้อ่าอยู่ในมรกออยู่ในมะม่วงอยู่ในอะไรมันไม่มีนรกสวรรค์หรอกมันไม่มีใจมีดอกไม no ้ดอกไม้มันก็ไม่มีนรกสวรรค์เนี่ยใบไม้ใบไร่ต้นหมารากไม้โตสั่งเตียงเนี่ยกระติกกระแตกอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่มีไม่มีนรกไม่มีสวรรค์หรอกมันไม่มีใจเพราะฉะนั้นขาดใจไปแล้วนรกสวรรค์ไม่มีในที่ใดๆที่นอกจากใจ นอกจากธาตรู้จะเรียกใจเรียกจิตเรียกวิญญาณเรียกมนโนเรียกอ่ชื่อภาษาไวยพจน์ภาษาเรียกแทนได้เยอะนะนอกจากที่จะพูดอย่างนี้แล้วว่าถ้านารกสวรรค์มีอยู่แต่ในใจแล้วก็กรมศาสนาไม่ต้องไปฟ้องศาลเพื่อจับพทรรติดคุกรอกก็รอให้นรกในใจของพอทรรลงโทษพทรรอตเองสิ อาตมารู Pop ้ดีว่าลงโทษ่ะลงมาแล้วเรารู้แล้วว่าพยายามหาไม่ให้มันเกิดโทษเกิดภัยในใจของเราทําแล้วไม่ต้องมาบอกไม่ต้องรอเราไม่รอเราไม่หวังเราทําขออภัยทําได้ด้วยทําสําเร็จด้วยเพราะสําหรับผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วถึงแม้ว่าผู้นั้นจะกําลังทําบาปอยู่นั่นน่ะสิจริงเนาะพูดถูกถูกสําหรับผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วถึงแม้ว่าผู้นั้นจะกําลังทําบาปอยู่ แต่ก็หาได้รู้ตัวไม่โอ้ยทำไมพูดถูกจังใครน้ อ, อรักเราเท่าชีวีใครนอให้เราขี่คอเออใครนอเพราะสหรับผู้ที่มิจฉาทิฏฐิแล้วถึงแม้ว่าผู้นั้นจะกำลังทำบาปอยู่แต่ก็หาได้รู้ตัวเลยไม่กลับนึกว่าเป็นสุขด้วยซ้ำไปซะอีกนั่นน่ะสิ่ะ เช่นคุณแมวเป็นต้นานาไปนน่นเลยฉะนั้นเมื่อธรรมะคืออำนาจที่ะดุงเมื่อธรรมะคืออำนาจที่ะดุงซึ่งความเป็นธรรมไว้จึงต้องมีพพนรกนะ่ะมีพบนรกก็เพื่อจะลงโทษผู้มีสมัยยังมีชีวิตอยู่แต่เคยทำบาปหนักไว้จะได้สำนึกไง คล้ายๆก็บอกว่ามีคุกไว้ไงมีคุกไว้เพื่อที่จะได้ให้สำนึกให้มันติดคุกซะน่ะนรกนี่เหมือนคุกนะก็เข้าใจอย่างนี้แค่นี้ทีบุคลาธิษฐานอย่างนี้น่ะเป็นตัวตนบุคคลเราเขาอยู่งี้แค่นี้ยังก็ไปถึงประมาจิไปถึงนามธรรมไปถึงสภาวะจริงยากยากน่ะก็ทำชั่ว ทำเร็วไม่รู้ตัวเหมือนคุณแมวว่า ง, งั้นนะาหารู้ตัวไม่ใครน้อเหมือนคุณแมวอ่าก็ยังไม่รู้ว่าพบนรกอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรอ่าเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่เขาจึงสร้างคุกไว้สำหรับขังคุกอ่าเหมือนแมวเนี่ยตัวนี้คุกอยู่ตอนเนี้ยไม่ยอมเข้าคุกอ่าไม่ยอมตกนรกแต่ที่จริงก็มีนรก ที่เป็นสัจธรรมอเพราะนั้นก็เลยอ้างมาเทียบเคียงเอาเรื่องของเหตุผลทางปรัชญามาเทียบเคียงอ่าเอาคุกเอาโนรกมาจับอ้างไปที่กรมการศาสนาไม่ต้องไปฟ้องศาลเพื่อจับอาตมาติดคุกรอกอาตมาไม่อยากจะรื้อฟื้นอไฟฟืฟ้น่ไ ย, ย, ยหาตะเข็บนอาตมาบอกแล้วว่าอาตมามีวิบาก เพราะว่าคนที่มีวิบากและคนที่ทำอะไรด้วยความไม่รู้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระเทวทัตก็ทำไปได้วยความไม่รู้นะซึ่งโดยดักจริงแล้วก็ผิดหรือแม้แต่หลายคนนางจินจามานวิกามั่งใครตะใครมั่งที่มาทาพระพุทธเจ้าก็าชั้นเดียวกันกับคนที่ไม่รู้เขาก็ทำอย่างนี้แหละ <S <S ขออภยัยอาตมาจะต้องกล่าวชัดกล่าวตรงกล่าวขออภยัยกล่าวจริงๆตรงนี้ว่า กรมการศาสนาหรือสังคมทางเทระสมาคมก็ไม่รู้ที่ทํากับอาตมาอาตมาก็เปิดเผยสัจธรรมแล้วว่าอาตมาไม่ได้มีความผิดแต่อาตมาถูกกล่าวว่าดูกกล่าวตูนะถูกตูว่าอาตมาผิดแล้วก็ใช้อำนาจทางโลกเหล่านั้นมาทําให้อาตมานั้นจนกระทั่งนะจนกระทั่ง ลงโทษเรอาอาตมาผิดแต่แท้จริงแล้วอตาตมาก็ไม่ได้ผิดหรอกจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยที่อตาตมาถือว่าเป็นประโยชน์ชนิดหนึ่งด้วยซ้ำไปที่เกิดแล้วเป็นแลวเนี่ยเป็นเอ็กซ์เดน o ์กุลลักเป็นเอ็กซ์เดน o ์กุลลักเป็นโชคดีที่มัน เหตุการณ์เกิดอย่างนี้โดยไม่คาดฝันเอ็กซิเดนต์กุลลักโดยไม่คิดว่าเออเขาจะทำอย่างนี้เขาทำอย่างนี้ขึ้นมาตอนแรกอาตะมาก็บอกเออไม่น่าทำแต่พอไปๆอ๋อดีเพราะเราได้ยืนยันเราได้พิสูจน์เราได้ไปเผยแพร่ธรรมะไปเยอะได้ประกาศความจริงออกมายืนยันได้พูดอะไรที่ต้องพูดเพราะว่าอยู่ดีๆนี่นะเราจะไปบอกว่าไส้ของเราเป็นอย่างนี้ไส้ของเราเป็นปนี้ไม่ได้ ต้องมีคนมาบอกว่าประตูว่าไส้ของเรามันางุ่งานนี้ไม่ดีอย่า ง, ง่ น, นี้เอาเราเลยต้องเอาไส้ออกให้ดูเอาไส้ออกให้ดูเลยได้โชว์ไส้ได้โชว์มากเลยนะได้ควักตับใจไส้พุงออกมาโชว์มันก็เลยดีคนก็เลยเห็นว่าเออไส้อัตมาไส้จริงหรือไส้เน่าหรือไส้ปลอมก็เลยเห็นอัตมาก็เลยยิ่ง มายิ่งขนองที่จะเอาไส้ออกมาโชว์ยิ่งขนองเลยกลายเป็นยิ่งขนองเอาไส้ออกมาโชว์ก็ขออาภัยที่จะขนองหน่อยๆเอาไส้ออกมาโชว์ยังทิชแสดงอยู่ทุกวันนี้ขณะนี้นะสรุปแล้วก็คือที่เข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าโดยที่เราว่านึกว่าเราเข้าใจนึกว่าเราได้ตามทิฏฐิตามความรู้ความเห็นที่ท่านเป็นกันอยู่เนี่ย ออาตมาก็ขออภัยอีกอย่างร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งต่อเทรสมาคมต่อพระรัอนักปฏิบัตธรรมที่ผู้รู้ทั้งหลายทั้งหมดต้องขออภัยจริงๆที่จะกล่าวว่าทิฏฐิท่านผิดไปทิศดีท่านผิดไปความเห็นความเข้าใจท่านผิดเพี้ยนไปแล้วอาตมาก็นําความจริงอันนีน้มายืนยัน ยืนยันด้วยความเจตนาดีอ่ายืนยันด้วยความตั้งใจจริงจริงใจไม่ได้ต้องการลบหลู่ไม่ได้ต้องการที่จะมาขมเบงเอาชนะข้านหรือเป็นล้มไม่ต้องการจะล้มถ้าจะล้มพวกคุณเลิกเองแต่พวกคุณไม่เลิกมันไม่ล้มหรอกเพราะอาตมาไม่ไปทําลายอะไรคุณหรอกไม่ทําลายไม่ได้อาตมาไปทําลายอะไรพวกท่านไม่ได้เลยท่านจะไม่เป็นไม่มีอย่างที่ท่านเป็นท่านมีอยู่ เพราะท่านเองท่านเลิกท่านวางท่านไม่ทําอย่างนั้นมาเองไม่ใช่อัตมาไปไปยืดมือเข้าไปทับร้ายอย่างนู้นอย่างนี้ไม่มีไม่ทําอัตมาชี้ผิดชี้ถูกตอนนั้นท่านเห็นดีเห็นชอบท่านก็เลิกมาเลิกมาเลิกมาทั้งนั้นมันก็ล้มเองแต่ถ้าไม่เลิกมันไม่ล้มหรอกท่านไม่เลิกไม่ล้มก็เป็นไปอย่างนั้นแหละส่วนอัตมานั้นก็มีหน้าที่เปิดเผยธรรมะ สรุปแล้วตั้งแต่เอาบทความของคําสอนคําพูดของท่านเจ้าคุณอุบาลีมายืนยันซึ่งท่านสรุปลงไปว่ามารู้คนเราเกิดยะถาพุทธญาณนึกเกิดญาณทัศน์เกิดทาตรู้จงกระทั้งใช้คําพูดว่าวิมุตติญาณทัศนะเกิดญาณทัศนะรู้วิมุตติเกิดญาณปัญญาที่เห็นวิมุตติรู้วิมุตติซึ่งอาตมาการธิบายปฏิบัติวิมุตติเป็นอย่างไร นิโรธเป็นอย่างไรนิพพานเป็นอย่างไรความดับแห่งกิเลสจนกระทั่งถึงขั้นดับขั้นสิ้นสุดตัวสุดท้ายเรียกว่าอาสวะหรืออนุสัยตัวสุดท้ายเป็นอย่างไรก็พูดก็แจกแลก็พูดก็แจกแจงมาตลอดเวลานะ เอาลองมาสาธยายเท่าสี่เวลาเหลือเนี่ยสักนิดหน่อยว่ารูปคืออะไรนามคืออะไรบ้างแต่รูปนี่แหละสำคัญเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้จักรูปอย่างเพียงพอคุณก็ถูกรูปมันกินตัวคุณไปตลอดเวลาแล้วก็หลงไปกับรู ป, ป ต, ต่างๆพวกนั้นนะเพราะไม่รู้ แต่ถ้ารูปชัดเจนรูปคือสิ่งที่ถูกรู้รูปถ้าเป็นรูปหยาบก็มีรูปมีสวดทรงมีรูปร่างและรูปพันสันฐานเรียกว่าหลักของรูปรูปนี่ได้ชื่อมาจากบาลีรากศัพท์ว่ารูปรูปปิรอเดอสระอป ปลาสกดไม่ได้บอปลาถ้าเป็นภาษาบาลีเขาต้องเรียกปะรอเรือสระอูปปอปลาสกด ก, ก็จุดข้างล่างซะในวรรรูปรูปปติมาจากรากศัพท์รู ป, ปติน่ได้ชื่อมาจากรูปปติเรียกวารูปรูปเท่ากับก็สิ่งที่ ไม่เห็นก็เรียกว่ารูปได้สิ่งที่เห็นไม่ได้ก็เรียกว่ารูปได้ถูกรู้ได้โดยสิ่งที่ไม่เห็นเห็นกับนี้ก็คือมีมีรูปร่างมีรูปทรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างไม่มีรูปทรงก็ยังสามารถเห็นได้เลยเป็นรูปได้หรือทั้งสองอย่างสิ่งที่เห็นได้กับสิ่งที่ไม่เห็นได้รวมกันอยู่ก็เรียกว่ารูปได้นะ รูปที่ดีที่สวยเราก็เรียกว่ารูปะสุรูปะหรือรูปะสุรูปังสุก็คือดีรูปที่สวยงามถ้ามันไม่ดีก็เรียกว่ารูปะทุรูปังหรือรูปะทุรูปนะรูปขีเรรูปนักกินักเกลียดนะหรือภาวะที่ประชุมกันอยู่แต่ว่ามองไม่เห็นรูปร่างของมัน ท่านเรียกกันโดยพยัญชนะว่าอธิสมานกายนั่นคือภาวะหนึ่งที่ประชุมกันอยู่แต่ว่ามองไม่เห็นรูปร่างของมันหรือว่ามีรูปมันมองไม่เห็นมันมีรูปของมันนะแต่มองไม่เห็นเรียกว่าอธิสมานกายก็เลยมาอธิบายกันสนุกไปเลยบอกว่าโอ้ยผู้ที่สามารถที่ยังรู้อธิสมานกายก็คือมีตาทิพย์เนาะ ไอ้รูปที่มันมองไม่เห็นแต่ดันไปคนนี้มีความสามารถไปมองเห็นได้ก็เห็นอธิษฐานกายก็โอ้ยเครื่อง ก, กันไปนะสิ่งที่มันไม่มีรูปที่อย่างรูปธรรมดามันก็เห็นได้กันทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นมันก็ไม่มีใครพิพพเศษใช่ไหมคนพิเศษก็เห็นสิ่งที่ไม่มีไม่มีรูปแต่เพสามารถเห็นได้เนี่ยโอ้เก่งเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครสามารถเข้าใจคําว่านาม นามเนี่ยไม่มีร่างไม่มีสรีระนมามธรรมท่งไว้ซึ่งความเป็นนามนามไม่มีพระร่างไม่มีสรีระแต่มีองค์ประชุมองค์ประชุมของจิตเจตสิกต่างๆอย่างที่พูดกันเมื่อวานนี้กันผู้ผ่านไปอยู่ไมื่อวานไม่ได้พูดเมื่อวานก่อนเป็นธนาสัญญาสัญขาในพระเจ้าตรัสมัวแห่งเจตสิกธรรม มันรวมกันสังคอดสังขารสังเคราะก็อยู่ระหว่างเวทนาสัญญาสังขารหรือแม้แต่ท่านตรัสไปในวิพัฒนสูตรของวิพัฒนสูตรของพระเจาปโรจนสิบหกเอามาอ่านแล้วว่านามหมายถึงอะไรบ้างอ่านามมารูปประกอบไปด้วยอะไรบ้างนามมารูปเราใช้คําว่านามมารูปขึ้นต้นด้วยคําแรกว่านามมารูปคงใช่น่ะอาตมาว่าอาตมาของผููไม่พิ ในข้อที่สิบสี่ใช่ไหมใช่นามรูปเป็นเสนหใช่คำว่ารามารูปคือเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมณสิกาสิ่งคุณเป็นจัตุนัลนคือย้อนมหาธมาเหมือนกันว่าเอานี้มาตามตำราเลยนั่นคือนามรูปสิ่งที่ถูกรู้ได้ ท, at, ท, fa, ทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งเจตนาทั้งผัสสะทั้งมณสิการเป็นนามน liness, ana, hope, ะนามทั้งนั้นนะน้าเนี่ยทั้งนั้นนห้าตัว น, น, 5, วนี้นี้เรียกว่านามนามรูปอย่างเนี <d>. ้ยตัวพวกเนี้ยองค์ประชุมของเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมณสิการประชุมรวมกันหมดได้เรียกว่ากายเวทนาคุณก็มีอยู่ขณะนี้สัญญามีอยู่ขณะนี้เจตนามีอยู่ขณะนี้ผัสสะมีอยู่ขณะนี้มณสิการมีอยู่ขณะนี้เลย คุณทําใจในใจคุณเป็นอย่างนี้เลยวันราชการทําำําแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แล้วมันมีผัสสะอยู่ด้วยไม่ได้พลากไปจากผัสสะยังมีสัมผัสสภาวะอยู่ครบเลยขณะนี้มีทั้งภายนอกภายในและมีเจตนาเลยดูเห็นอยู่โอ้มันกําลังมีเจตนามีความมุ่งหมายของมันอยู่เลยสัญญากําลังทํางานอ่านอยู่ตรงนี้เลยรู้เลยว่าปรุกเงินปุ๊บเป็นเวทนาอย่างนี้สุขกังสุกอยู่ทุกข์อยู่ยหรือไม่สุขไม่ทุกข์อยู่เห็นเลยนี่คือนามรูปนะจ๊ะ คนข้าสุภาพเดี๋ยวนี้พูดเพรา ะ, ะอาตมานอกจากจะพูดจกกนกระทั่งเขาหาว่าอาตมาดูดุถ้ามึงถึงเวลาที่บาดเราหูเป่งแข็งคนก็เลยกลัวบางบ้างก็นัจาจะมึงเป็นลีลาศิละปะนแถมใส่น้ำตาลเหาะสีนิดหน่อยใม่มันดูมัน เนื้อเนื้อเกินไปนักนะเพราะในการสามารถที่จะรู้สิ่งที่แม้เป็นนามธรรมถูกรู้ได้เรียกว่ารูปรูปเป็นสิ่งที่เห็นได้เป็นใบพจกันกระกายองค์ประชุมนามกายก็พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้หรือเรียกว่านามรูปเมื่อกี้มันองค์ประชุมของเวทนาสัญญาเจตนาพัสธรมนิสิการส่วนรูปปักกาย คือมหาภูตรูปสี่อุปาทายรูปสี่กายรู ป, ปกายนามกายหรือนามารูปกายและหรือรูปเนี่ยมันเป็นไวโพธแทนกันได้บ้างแต่ไม่มีในรายะละเอียดของกันอยู่รูปคือสิ่งที่ถูกรู้ส่วนกายนี่นคือองค์ประชุมมาถูกรู้ด้วยองค์ประชุมนั้นถูกรู้ด้วย พระนั้นองค์ประชุมของสังขารสังขารและจิตจิตมันปรุงแต่งปั๊บปรุงแต่งขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นผีหรือเป็นเทวดาเรียกเป็นปุคราธิฐานเป็นภาษาบุคราจารย์ก็เรียกว่าเป็นตัวตนบุคคลเราเขาเรียกว่าเป็นผีเป็นเทวดามันปรุงแต่งปั๊ขึ้นมาคุณก็เห็นองค์ประชุมมันเป็นปรุงแต่งขึ้นมาเป็นผีเป็นเทวดานั้นได้ แต่่นี้ผู้ที่ไม่สัญญาวิปลาสแล้วสัญญากาหนดรู้ความจริงตามความเป็นจริงจิตวิญญาณเป็นผีจิตวิญญาณเป็นเทวดาก็เห็นสภาวะของเทวดาเห็นสภาวะของผีโดยไม่ไมเลอะไม่หลงไม่เป็นสัญญาวิปลาสไปเห็นโอ้ผีตัวนี้มีเขี้ยวด้วยผีตัวนี้มีเขาด้วยคิดแหลกเลยโอ้ผีตัวนี้ตาปนด้วย ไม่มีรูปร่างไม่มีรูปโฉมไม่มีร่างไม่มีสรีระอัตสันนังไม่เห็นเห็นไม่ได้แต่รู้ได้โดยอาการลิงคัตนิมิตมีเครื่องหมายให้รู้ได้รู้อาการโอ้อย่างงี้เป็นอาการของผีอย่างนี้เป็นอาการของเทวดาเทวดาเขาเป็นสุขผีก็เป็นทุกข์ผีของเเลวร้ายไม่ดีแต่เทวดาก็ดีหน่อย แต่เทวดาปลอมเทวดาเก้เป็นเทวบุตรมารอะไรพวกนี้ก็เป็นเทวดาเก้ที่อรารวาสอยู่ทุกวันนี้ก็รู้ก็เห็นเป็นนามธรรมน่ะถูกรู้ได้ในวันนามกายเป็นองค์ประชุมของนามธรรมต่อจากวัตถุธรรมแม้แต่มหาพุทธ ร, รูปเข้ามาเป็นอุ ป, ปาทายรูปที่อธิบายไปแล้วมันเนื่องต่อกันเข้ามากระทบแล้วก็เข้ามาเออมาเป็นภาพเป็นรูปข้างใน และภาพรูปข้างในนั้นก็ปรุงพรบเป็นสังขารชอบไม่ชอบอะไรโดยอวิชาตคนไม่รู้มันจะปรุงเลยหรือถ้าพันผ้นอาอรหันท่านจะปรุงพอสัมผัสแล้วปรุงก็ไปปรุงตามความเป็นจริงไม่มีกิเลส ก, ก็ไปร่วมปรุงด้วยเลยเป็นอเหตุกจิตมีคนถามอเหตุตกจิตมาไว้ค่อยอธิบายทีหลังวันนี้ขอผ่านไว้วันรายการที่มี เอมีสงครามสงครามจะมีประเด็นคําถามคอยอธิบายอาจมาค้างตอบเไว้ยังไม่ได้ตอบเพราะมเป็นเป็นการสังขารขั้นอภิสังขารที่อปุญญะพิสังขารแล้วไม่ต้องชําระจิตไม่ต้องชําระกิเลกกิเลสไม่มีร่วมปรุงเป็นอภิสังขารก็ปรุงได้เป็นอภิสังขารเาชื่อมต่อจากมหาภูตา ร, รูป มาเป็นอุปาทายรูปเป็นความรู้สึกเป็นเวทนาซึ่งเป็นอเุเบกขาเวทนาเนคขมะสิตะอุเบกขาเวทนาเป็นอุเบกขาเป็นการวางเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ไม่มีกิเลสถ้าตัวเองปรุงก็เรียกว่าสังขารตัวเองถ้าตัวเองสัมพันธ์อยู่กับสังขารข้างนอกกระทบสัมผัสแต่ต้องเราอยู่สังขารข้างนอกทั้งหลาย กระทบอยู่เป็นโลกธรรมโลพุทธสาโลกาธรรมิอิตตังยสสะนกกรรมปติจิตก็ไม่วันไม่ไว้ไม่เปลี่ยนไปแปลไม่เคลื่อนนิ่งแน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิอยู่ที่เดียวอเมริาเฉยกลางอยู่งั้นรู้ทุกอย่างมันดิ้นแรงดิ้นเบาดิ้นอย่างงน้นอย่างนี้ดิ้นสีเหลืองสีแดงสีเขียวรินดิ้นเป็นลีลานั้นนี้เข้าใจหมดนั่นเป็นการรู้ นะรู้รูปปกกายที่ตนเองรู้หมดแล้วอานามกายองค์ประจุงจิตของเราก็สะอาดเป็นอุเบกขาอยู่ปริสุทธาประโยธาตามุทุกรรมัญญาประพัสราอัตมาขานตัวพยันชนะภาษาเรียกอะไรต่างๆพวกนี้เอาบาลีมาขานนี่เป็นของพระพุทธเจ้าท่านว่าแล้วนะเป็นอารมณ์ เป็นความรู้สึกและเป็นความรู้สึกของผู้ที่เห็นรูปเห็นนามผู้ที่จะรู้รูปรูปนามโดยก่อนปล่อยได้มีวิมุตติยานทศนะแล้วหลุดพ้นแล้วงี้เป็นผู้ที่ได้เรียนรู้ตั้งแต่รูปหยาบแล้วก็ละเหตุที่มันตรุงรูปหยาบมาตั้งแต่เปกรรมมาพบหรือกามมารูปแล้วก็ล้างเหตุที่มันจะไปสุกไปทุกข์อยู่ในกรมล้างได้หมดจะไม่มีสุขไม่ทุกข์ในกรมไม่มี หรือแต่รูปเรืยองวารูปารม์อยู่ในกามาวจรนั่นแหละดำเนินชีวิตอยู่ในกามาวจรอยู่ในภพของสังคมโลกเขานั่นแหละแต่ท่านได้ล้างกิเลสในตัวของท่านในจิตใจของท่านออกไปแล้วท่านก็มีอารมณ์ที่ท่านอ่านรูปารมณ์ของท่านได้เห็นว่าอารมณ์เป็นอารมณ์ที่ปราศจาก โ ล, โลกีปราศจากโลกปราศจากเคหะสิตะไม่ว่าจะเป็นมนโนปวิจาร์ข้อไหนๆก็ไม่มีแม้แต่มนโนปวิจาร์ข้อทางเนกขมมะทางโลกุตระก็ไม่มีอุปกิเลสโสมนัสเวทนาโทมนัสเวทนาที่เป็นเนกขมสิตะโทมนัสเนกสิตะโสมนัสเวทนาก็กำหนดหมายรู้ว่าเนกขมะ ต่างจากเคหะสิตะอย่างไรสมนัตของเคหะสิตะกับสมนัตของเนคขมะต่างกันอย่างไรก็รู้สิ่งที่ถูกรู้เรียกว่ารูปเป็นรูปปกายเขาสมนัตเนคขมะเป็นรูปปกายของเคหะสิตะสมนัตเคหะสิตะเป็นรูปปกา ย, ยานี้ก็ถูกรู้โดยยานยถาพุธญาณหรือวิมุตติหรือยานทัศนะยังไม่มีมุตติเดียว ยังมีโสมนัตยังไม่รูุ้ตตยังมีโทมนัตเนฆามัทโทมนัตก็ชกก็ตามอแค่หัสิตะโทมนัตก็ตามต่างกันยังไรรู้ความต่างลิงคะรู้แยกออกเลยเป็นเพนสภาวะนั้นจริงๆเลยเพราะไม่จึงไม่ใช่แต่สักแต่ว่ารู้รูปรู้นามตามตักกะโอ้ทุกอย่างมันก็สักแต่ว่ารู้ว่านามเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วใจรู้นานแล้วลุงไม่อย่างนั้นเดี๋ยตักก ะ, ะเรารู้ไปทั้งนานแล้วแต่ผู้จะรู้ของจริงจงกระทั่ง เห็นว่ามันเป็นรูปเป็นนามผู้ที่จะเห็นว่าโอ้มันสักแต่ว่าเป็นรูปเป็นนามผู้นั้นคือผู้หลุดพ้นนะเพราะฉั้นคนที่เอาภาษาหลุดพน้นของท่านมาพูดเะโกว่าตักกวเองเห็นแล้วสักแต่ว่าเป็นรูปเป็นนามมัวจะไปวุ่นไปวายไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งไปทํางานอะไรอยู่ก็มาดูแล้วจบแล้วโอ้โหคุณเข้าใจว่าไอ้ที่คุณเข้าใจแค่นั้นไปนทิฏฐิแค่นั้นนะนึกว่าคุณไปยถาภูธจารท์ศานะนึกว่าเป็นวิมุตติยานทัศนะผิดนะจ้าสัญญาวิปลาสนะจ้า กำหนดผิดนากำหนดรู้นามมารูปที่เป็นวิมุตติยานทัศนะต้องรู้จิตของตัววิมุตติยานทัศน์คือสภาวะอย่างไรและไอที่เข้าใจว่าตัวเองเข้าใจว่าโอ้สัตถว่ารูปว่านามสัม่วขันว่าธาตุแล้วจิตก็หลุดพ้นและหลุดพ้นนั้มันหลุดได้ยังอะไรหลุดพ้นอะไรเนคขมะได้แล้วเขรู้จักการเนคขมะหรือยัง จนหลุดออกมาจริงๆกิเลสหมดแล้วจริงๆยังตรวจสอบทบทวนตรวจสอบอย่างแท้จริงเลยรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงอย่างโอ้โหพุทธเจ้าได้สอนละเอียดเราเอาจนเป็นสัญญาเวทิจิตนิโรธนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะคุณจะรู้จักเรื่องรูปจะเป็นรู ป, ปารมจะเป็นรู ป, ปาวจรรูปรูปนิมิตรูปประสัญญารูปกายมันมีนัยยะของมันทั้งนั้นเลยมันไม่เหมือนกันหรอก รูปกายก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ารูปารมณ์เพราะกายก็คือองค์รวมของสิ่งเหล่านั้นที่ถูกรู้เฉยๆเกิดอารมณ์ก็เป็นรูปอารมณ์แล้วมันดําเนินไปอยู่ในนี่เขาเรียกรูปาวจรัมมีเครื่องหมายอะไรในรูปในเครื่องหมายของสิ่งที่เราเห็นเรารู้อยู่นั่นนหะเช่นเครื่องหมายของความเป็นเนกขัมมะสิตะสมนัต เครื่องหมายของความเป็นเคหสิตะสมนัตเออมันก็เป็นรูปนิมิตของอันนี้เครื่องหมายว่าอย่างนี้เครื่องหมายว่าเคหะจันนี้เครื่องหมายว่านิคัมมะคุณก็ต้องเห็นของจริงแล้วคุณทําให้เป็นเนคัมมได้หรือเปล่าขนาดที่มันเป็นเนคัมมะมันก็ไม่ใช่เคหสิตะขนาดที่เป็นเคหสิตะมันก็ไม่ใช่ในคัมมะ <c oughs> จะไงตั้งกายเป็นเนคัมมะได้จบบริบวนไม่เวียนวนกลับไปเป็นเคหสิตะอีก คุณเห็นของคุณได้ยังทําได้จริงยังอถาวรยังยังยืนยังนี่จังทุบังสัสะตังอวิปรินามะธรรมะสังเรียงสังกุปังหรือยังคนก็มีรู้ปัญญาการกําหนดรู้ในรูปเหล่านั้นอย่างแท้จริงใช่หรือไม่อนี้เรื่องของนามของรูปคร่าวๆยังจะพูดกันอีกยาวนี่เพิ่งเริ่มต้น นจัจจะมีเข้าบงยังมีเข้าวบางยั ง, าา ง, ยงพอฟังรู้เรื่องไหมพวกนี้นี่ยมาพังยกงกหน้ารับฟังโพธิรักบอกถามว่ารู้ด่พวกนี้โกหกทั้งนั้นเขาว่าอาตมาว่างั้นเอเขาถามบอกว่ารู้เรื่องไหมใครฐานรับม่ารู้เรื่องนี่โกหกทั้งนั้นก็โพธิรักพูดนี่กูไม่รู้เรื่องนี่ว่าใครมันจะฉลาดกว่ากูได้ไง คนอื่นคืนบอกว่ารู้พวกนี้โกหกทั้งนั้นน่ะมีอะไรบ้างกูไม่รู้กูต้องรู้ทั้งนั้นเพราะ้นใครบอกว่าใครพูดมาแล้วถ้าพูดกูไม่รู้พวกนี้โกหกทั้งนั้นน่ะยอดรู้จริงๆเลย <c oughs> คนนี้ยอดรู้จริงๆอาตมาโดนตูว่ายเงมาแล้วก็เข้าใจเขานะก็เห็นใจเขาเหมือนกัน นี่คือเรื่องของรูปของอที่อาตมาามาขยายความสําหรับวันนี้นะเพื่อที่จะยืนยันคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนในเรื่องของรูปของนามทุกอย่างมีแต่รูปแต่นามอาตมาก็เคยสรุปมันเป็นเหตุปัจจัยที่เป็นรูปเป็นนามเท่านั้นเกิดจากเหตุปัจจัยมาสังเคราะห์สังขารกันอยู่แล้วก็เป็นรูปเป็นนามและคนก็ไปยึดถ้าคนที่ไม่ยึดแล้วหมดความยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรา โดยไปอาศัยเป็นสุขเป็นทุกข์อาศัยเป็นโลกีคนนั้นไม่มีแล้วไม่เหลือโลกีไม่อาศัยเป็นโลกีแล้วก็เห็นความจริงตามความเป็นจริงที่มันปรุงมันแต่งกันอยู่โดยตัวเราเองไม่ไม่มีการปรุงแต่งที่เอากิเลนเหล่านั้นพอดับกิเลนเหล่านั้นหมดสิ้นไม่มีเหลื อ, ลอมันจึงไม่มีอะไรไปปรุงแต่งอยู่ในจิตอีกนะเพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถเห็นความจริงรู้ความจริงเหล่านี้จึง พูดสิ่งที่เป็นจริงของตนเองได้แม้จะเป็นสิ่งละเอียดละอรปราณ น, นั้นอะละเอียดละอรปราณไหนก็พูดได้ละเอียดละอแล้วก็อธิบายไายละเอียดมุมนั้นมุมนี้ได้แต่พูดที่ได้แตรตกักกะได้แต่การคิดได้ความเข้าใจเฉยๆพอไล่เลียงไปละเอียดละเอียดจนอธิบายต่อไม่ได้น พระพุทธเจ้าสอนให้คนเนี่ยนะรู้จักรูปทั้งภายในและรูปทั้งภายนอกในพัตติปิฎกเล่มยี่สิบมมา ถ, ถือติดมือมานี่นะท่านจะอธิบายมันเป็นเรื่องในงในสูตรภาษาทกรณธรรมมาทิบาลีนะตั้งแต่ข้อสองร้อยเจ็ดนะ ในพระตปิดกเล่มยี่สิบท้าสุตันรธรรปิกก็เล่มสิบสองเอกนิบาตในข้อสองร้อเจ็ดนี้ท่านก็นไล่วิธีการของผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีอาการอย่างไรอาการสมบัติมีอาการกิริยาต่างๆมีบริวารต่างๆ จนกระทั่งเป็นพระธรรมกัตถะแล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งเกิดฌานเป็นปฐมฌานเป็นทุติยฌานเจริญฌานได้แล้วก็มีเมตตาเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาการุณาเจโตวิมุตติเจริญมุตติตาเจโตวิมุตติเจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติแล้วก็พิจารณากายในกายอยู่นะ พิจารณาเวทนาในเวทนาอยู่พิจารณาจิตในจิตทําในธรรมอยู่พิจารณาอยู่เสมอในการปฏิบัติธรรมทั้งวรรวังมีอะไรกระทบสัมผัสแล้วมันก็จะไปเกิดต่อเ น, นื่องเข้าไปที่ใจจึงรักษาอย่างเดียวที่ใจแต่การรักษาอย่างเดียวที่ใจไม่ได้หมายความว่าให้ลีหลบเข้าไปสงบอยู่ที่ใจไม่ใช่พราบางคนที่เข้าใจผิดว่ายังไงท่านบอกให้หนึ่งเดียวรักษาที่ใจเป็นหนึ่งเดียว ถูกต้องแต่ว่าไม่ใช่ลี้หลบก็ไปอยู่ในใจหนึ่งเดียวให้รู้จักผัรษะทั้งหมดแล้วก็เนื่องต่อกันเข้าไปจากมหาพูตธรูปก็ไปเป็นอุปาทายรูปแล้วเข้าไปเป็นเวทนาน้ามหาพูทเป็นเป็นอุปาทายรูปนั่นคือกายในกายเป็นองค์ประชุมของรูปองค์ประชุมของรูปที่ไม่ขาดจากนามไม่ขาดจากนาม มหาพุทธรูปก็ยังเชื่อมมีน้ำรับรู้อยู่ซึ่งอาตมาก็พูดแล้วพูดอีกยังจําได้ว่าข้างหน้านี่มันมีฟักข้าวมันมีมะม่วงมันมีอะไรนี่เขายกตัวอย่างแล้วมาตัวมันเองน่ะมันเป็นรูปมันไม่มีน้ำรู้นะมันกระทบสัมผัสกันจะตายเลยเนี่ยเดีดูสิ้น้ำของฟักข้าวลูกนี้ไปทิ่มไอ้มะม่วงลูกนั้นแล้วพอวางไปเปียดกันมันก็ทิ่มน้ําฟักข้าวไม่มีน้ําเลยข้างนอก มันทิมมันก็ไมไ่รู้เรื่องอะไรมันไม่มีน้ำมันรู้น้ำมารูปอะไรไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเข้าไปเป็นน้ำรูปเป็นอุปาทายรูปเนื่องต่อเข้าไปข้างในผู้ที่มีน้ำมาทำาละอ่านอ่านอุปาทายรูปที่ถูกรู้ได้ว่านี่แหละคือองค์ประชุมมาจากข้างนอกมาเป็นกายในกายเมื่อมาเป็นกายในกายเป็นองค์ประชุมของสิ่งนี้เนื่องต่อออกมามันเป็น ยังไงแหละกายในกายมันมีอาการยังไงมันเป็นอาการสังขารเป็นอาการเวทนามันปรุงแต่งกันปุ๊บเลยเพราะงั้นอวิชามันจะสังขารเลยแล้วก็มาเป็นวิญญาณวิญญาณผีวิญญาณเทวดาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพอมันสุขมันก็เป็นเทวดามันไปทุกข์มันก็เป็นผีผู้ที่สามารถมีญาณทัศนวิเศษอ่านออกมีตาทิพย์ก็รู้ธรรมปฏิฐานได้ว่าผีเป็นเช่นนี้ เทวดาเป็นเช่นนี้จะพูดเป็นปุกราติฐานก็พูดได้สู่คนอื่นฟังว่าผีผีเนี่ยมันไม่มีศรีระถ้าไปเขียนเป็นศรีระเป็นอย่างนี้นาสัตว์นรกเป็นอย่างนี้นาเช่นเขาเขียนออกมาว่าเนี่ยร่างกายเป็นคนใส่เสื้อนอกผูกเน넥ไทอย่างดีเลยแต่หัวเป็นลิงกันข้างเป็นเสือเป็นบมนุษย์อะไรไปอย่างนั้นนะก็เป็นปุกราติฐาน เป็นศิลปะคนสะพันแล้วก็บอกเออคนชนิดนี้เข้าใจเลยเพราะใครเข้าใจมีปัญญามองไปที่นมามธรรมแต่ถ้าใครยังเป็นภาชนยังอ่อนเดียงสาไม่เดียงสาอยู่หรือเด็กยังเยาว์วัยพ่อคนที่หัวมีเขา่งี้มีด้วยหรอก็ถูกสิเขายังภาละเขายังอ่อนเยาว์เขายังโง่เขายังไม่เดียงสาเขายังไม่รู้เรื่องเพราะฉะคนที่เป็นทารก เท่าหน่อยธารกเท่าก็จะใช้นัยอย่างนี้ก็จะมองแต่แค่ว่าอ้อคนที่มีเขาก็มีด้วยคนที่มีเขี้ยวเหมือนเสือนี่ก็มีด้วยคนมีหน้าเหมือนหมาก็มีอีกโอ้มันมีด้วยแล้วที่ไหนว่าที่แท้ตัวเองเป็นอยู่ยังไม่รู้ตัวผู้ไม่เดียงสาผู้พารชน แปลว่าโง่แปลว่าเขาแปลว่าเยาว์แปลว่าไม่เดียงสาแปลว่าไม่รู้ผูยังไม่ไม่เคยรู้เรื่องไม่เดียงสาบล้วผู้ที่รู้แล้วก็รู้ว่าอ๋อหมายถึงอะไรเป็นธรรมาติฐานไม่ใช่ปุกราติฐานแต่สิ่งนี้เป็นนิมิตแทนเป็นเครื่องหมายให้รู้ผู้ที่รู้นิมิตไม่ติดนิมิตรู้นิมิตไม่ติดนิมิตรู้พยัญชนะไม่ติดพยัญชนะก็ย่อมมองทะลุไปถึงธรรมในธรรมรู้สัจจะในธรรม เพราะฉะนั้นถ้าอาตมาอธิบายไปแล้วผู้ที่ฟังดีดีมีปัญญาก็จะรู้ว่าโอ้มอเป็นกายในกายมาเป็นสังขารมาเป็นเวทนาอ่านเวทนาออกแล้วต่างไปไหมอาตมาโมเมไม่ว่ากายในกายคือเวทนาอาตมาอธิบายไปนี่คือโมเมไหมสับสนไหมเพราะฉะนั้นผู้ฟังไม่สับสนผู้นั้นก็ไม่ห่าอาตมามั่วผู้ใดฟังไปแล้วก็บอก มันอธิบายอะไรว่าเอาวันนี้มาต่อนี่เอาเดี๋ยวก็กลายเป็นนามอกลายในกลายเป็นเวทนาโม่ทิปหายเลยเพราะเขาสับสนเขาเข้าใจไม่ได้เรียบเรียงไม่ได้เอาล้โทษอาตมาก็ได้าอาตมาอธิบายไม่เก่งอธิบายมันไม่ต่อเนื่องจนกระทั่งละเอียเป็นฉายหนังสองร้อยเฟรมต่อวินาทีอ่านี่ก็ไม่ไมายหนังเฟรมสองร้อย เต่อ ว, วินาทีแล้วนี่ยังไม่รู้ก็าาอาตมาอจะพยายามเอาห้าร้อยเฟรมก็แล้วกันเพื่อจะขอเข้าใจอา้าว I will try นะพยายามเหนื่อยก็ไม่ว่ากันนะเพื่อที่จะให้เป็นความจริงที่รู้ได้เพื่อจะเป็นงางของขึ้นมาได้จากความนอ จริงคุณก็อธิบายได้ไม่งั้นคุณไม่ได้พูดอะไรเลยเอาอะไรก็มาให้ผมพูดหมดเอาไว้คุณพูดบั่งไปได้ไม่มีที่จะพูดเอาพบมันจะหมดเวลาแล้วมาให้ผมพูดดิมันได้หมดเอาพบจบแล้วกันนะเอาละอาตมาว่าอาตมาได้ขยายความไปเรื่อยๆนะผู้ติดตามฟังได้ดีได้ปัญญาได้รับรู้ก็ยังจะสาธยายไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆฟังซ้ําฟังซาำผู้ที่ฟังแล้วได้ประโยชน์จริงก็จะเห็นได้ว่าอ๋อมันเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเนาะ สำหรับผู้ที่ฟังแล้วยิ่งมัวยิ่งเห็นว่าสับสนก็ตั้งใจฟังด้วยดีเธอแล้วก็พยายามตั้งใจจริงๆทำกางก็อย่าปิดกั้นตัวเองอย่าดูถูกดูแคลนอาตมามากเกินไปอเผื่อไว้ท่านนิดหนึ่งไหมว่าเผื่ออาตมาจะมีความรู้พอให้คนได้มีความรู้เกิดขึ้นบ้างอย่าดูถูกดูแคลนอาตมามากนักถ้าดูถูกดูแคลนอตมาตมามากนักมันมันไม่ได้รับอะไรหรอกอะอาตมาก็มั่นใจว่าอาตมามีสิ่งที่พอพอจะให้ได้อยู่นะมีสิ่งที่ดีอยู่ ก็จะมีดีสักบ้างนาไปสิบตรีก็รับรับแบ่งไปบ้างนะเอาล้วสำหรับวันนี้ก็หมดมเวลามันหมดแล้วจริงจริงยังมันไม่หมดทีเดียวหรอกเพราะว่ า, วนนว า, ม า, มาเา ม, า ม, าามื่อกี้ล่วงลาอาตมาเวลาอัตมามาถึงสิบนาทีเที่ยงนาที่กว่าเมื่อกี้ล่วงลาอาตมาล่วงลาเวลามาพราะนก็เอายกเหลือทีห้าหกนาทีนี้ให้แก่ท่านสรุปและมีอะไรพึงจะพูดจะให้ขอให้พูดก็เชิญครับกราบขอบพระคุณพ่อครูครับ แล้วก็ขอบคุณฟันเต้แล้วก็เพื่อนสํานักทุกูๆแล้วก็ขอบคุณกับพวกเราทุกคนนะที่นั่งฟังอยู่ที่นี่แล้วก็ที่ต่างประเทศนะต้องเราต้องพูดไกลๆนะที่ต่างประเทศที่ร่วมฟังอยู่เพราะครูก็ได้สรุปนะเรื่องสั้นๆง่ายๆนะอันนี้สรุปตามปัญญาของตัวเองนะไม่ได้สอนอะไรนะพระพุทธเจ้าไมไ่สอนอะไรมากนะสอนคนสอนให้เป็นมนุษย์ นะสอนให้เป็นผู้ประเสริฐสอนคนให้เป็นมนุษย์แล้วก็ในที่สุดเนี่ยเป็นคนที่เหนือคนคนที่เหนือคนก็ไปคิดเอาเองแล้วกันนะแล้วก็สิ่งสําคัญที่ที่ควรรู้นี่ก็คือคําว่ารูปกับนามเท่านั้นย่อลงมานะรูปกับนามแล้วพรอครูก็ขยายโอ้ได้เยอะแยะเลยใช่ไหมแค่สองคำเนี่ยรูปกับนามนะ แล้วก็จนมีพระครูนะอุมาลีเนี่ยพระจันทร์เนี่ ย, ะ น, น, ยนะพระครูบาลีเนี่ยนะ ก, ก็อยากจะพูดถึงกันนะท่านก็อวดเหมือนกันนะอย่าหาว่าพักครูอวดอย่างเดียวนะท่านก็อวดของท่านเหมือนกันอนะ่ะอวดในเชิงอะไรรู้ไมอวดเรื่องหลับตาไงใช่ไหมหลับตาว่าดียางงั้นอย่างนี้นนจริงๆเนี่ยขอแวะนิดนึงนะจริงๆอ่ะพระคุณเจ้าทั้งหลายนะ่อวดก่อพระครูเองนะ เพราะาท่านมีหลายรูปไงใช่ไหมเพราะครูมีรูปเดียวเองอวดอยู่นี่แหละใช่ไหมสมณะอื่นก็ไม่ค่อยได้อวดเท่าไหร่ก็ยกให้พรอครูอวดใช่ไหมก็พ่ะครูก็อวดเต็มที่ไงเพราะฉนั้นอาจารว่าพระอื่นอื่นเ่ะถ้าเปรียบเทียบกันนะอวดกว่าพ่อครูอีกอวดเรื่องนั่งนับตานะแต่พ่ะครูเนี่อวดเรื่องลืมตามันก็แค่สองอย่างแค่นี้เองนะเพราะฉะนั้นก็โดยเฉพาะ ขอแวะไปถึงแปดเจ็ดศูนห้าสักนิดหนึ่งอะนะ ก, ก็รู้สึกว่าติดใจมากเลยนะท่านผู้นี้เนี่ยก็อยากจะให้กระทำเรื่องหนึ่งน ะ, อะลองลองไม่ไม่ไมไมไมทำตามก็ได้นะอันนี้ขอแนะนำนะขอให้ท่านเดินไปขึ้นไป บ, บนยอดเขาอะนะพอไปถึงยอดเขาก็ก็ลองยืนจังกล้ายืนเท่ที่สุดอะนะท่าที่เท่ที่สุดอะแล้วก็มองดูท้องฟ้ามองดูภูเขา เราตัวใหญ่แค่ไหนนะแล้วก็มองดูในที่สุดท่านก็ลองถมน้ําลายรถฟ้าดูนะท่านผู้นั้นนะนะลองถมดูที่ตั้งท่าดีๆแล้วก็ถมเลยฟ้ามันอยู่ใกล้เนี่ยเพราะว่าอยู่บนยอดเขาใช่ไหมอยู่บนชอดยอดเขาเนี่ยใกล้ฟ้าใกล้ฟ้ากว่าคนอยู่ดินเนาะครับไม่ต้องอยู่ที่ดินนะขึ้นไปบนยอดเขาเลยนะอืจะได้อยู่ใกล้ฟ้า ผู้เขามันเห็นเมฆไหลลิดลิลิดเนี่ยผัสใจสาไหลลิด ล, ด ล, ล, ดลดแล้วก็ตั้งท่าถมน้ําลายรถ ด, ดูมันจะลดฟ้าหรือลถท่านเองอันนี้ก็ไม่ต้องตอบอตะมานะตอบพ่อครูเพราะว่าตะมาไม่ได้บอกชื่อนะที่มาหลายๆการเนี่ยแปดเจ็ดศูนห้าไม่ต้องมาต้องไปหาพ่อครูนะไม่ต้องมาหาตะมาโอ้โหตีตัวออกเลยเนาะ อา้าวก็โฆษณานะถ้าใครที่สนใจที่ไม่เคยไปสวนบุญผักพืชนี่ไปดูนะตอนนี้มีอะไรแย ะ, แยะมากมายในที่นั่นน ะ, จะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ชื่องานว่าคืนสู่เย่าเข้าคืนรังนะเป็นกลุ่มของนักศึกษานะมัน่าจะเป็นรามหรือนักศึกษาอื่นๆนะที่คืนมาหลายคืนนั่นเะนี่ะคืนสู่รังเนี่ยคืนสู่เยาเนี่ย ไม่รู้ว่าตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่นะคืนไปคืนมาเลย่ะนะนะพ่อครูก็และจะมีรายการสําคัญพิเศษนะโดยเฉพาะวันเสาร์ที่29นะมีเอื้อไออุ่นกับพ่อครูนะก็เดือดร้อนพ่อครูอีกนะคือไปไหนก็ต้องเดือดร้อนพ่อครูเพราะว่าพ่อครูก็ก็ไม่ไปไม่ได้นะไม่เป็นงานที่สมบูรณ์อีกนะเพราะฉะนั้นเน่ก็มาช่วยกันใช้ให้มันคุ้มนะแล้วก็ หมายความว่าเราก็ต้องรับไปทําให้มันคุ้มด้วยนะเ <c oughs> มื่อเราใช้พ่อขูคุ้มแล้วนี่ก็เราต้องรับไปทําให้มันคุ้มนะที่เราเอาไปปฏิบัติให้มันคุ้มนะเป็นครั้งที่เก้านะที่สวนบุญผักพืชในวันเสาร์ที่ยี่สิบเก้าและก็วันอาทิตย์ที่สามสิบมิถุนายนนี้นะใครสนใจก็ขอเชิญนะไปพบกันที่นั่นสําหรับรายการวิถีอริยธรรมกี่โมงมีคนถามมีคนถามว่ากี่โมง อาตมาไม่ได้เป็นผู้จัดก็เลยไม่รู้นะเขาไม่ได้เขียนบอกก็ขอไปติดตามผู้รู้แล้วกัน18นาฬิกาวันเสาร์มีเสียงกระซิบมานะเสาร์ที่29เป็นต้นไปถึง30มิถุนายนนี้2556นะให้มันครบนะรายการวิถีอริยธรรมนะก็คงมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ ในวันอาทิตย์ต่อไปสำหรับวันนี้ก็กราบขอพระคุณพ่อคุยอีกครั้งหนึ่งก็อขอเจริญธรรมกับพวกเราทุกคนทุกท่านเจริญธรรม